<RIPOConsesi> Buddham s a r a r a m gaccham. d h a m m a c h a m d h a m sariram gaccham. Dhammam s a r a m gaccham. d h a m a m a i a ขออนุมโมธนานที่ได้ตั้งใจในการศึกษาคำสงของพระพุทธเจ้าและก็ตั้งใจในการที่จะเจริญตัวตน ในจุรคุณนณะสูตรในอุปริปั น, นธ์นะพระพุทธเจ้าตรัสถึงความแตกต่างกันระหว่างสัตบุรุษกับอาสัตบุรุษพระองค์ตรัสบอกว่าลักษณะของสัตบุรุษนั้นบอกว่าสัตบุรุษผู้ประกอบเบี้ยรมของสัตบุรุษก็มีศรัทธาเป็นต้นที่เราศึกษากันเนี่ยนะศร<ม>ัทธาก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่บอกว่าในคุณของพระรัตนตรัยตามความเป็นจริง และศรัทธานในที่นั้นก็ต้องนอกจากศรัทาขตาโฟที่ศรัทธาเชื่อปัญญาการตรัส ร, <อ> ร, รู้ดีของพระพุทธเจ้าเชื่อความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็การประพฤติปฏิบัติดีของพรารียสงฆ์แล้วเนี่ยแล้วก็ยังเชื่อในกรรมแล้วก็ผลของกรรมด้วยในที่นั้นเราเรียกว่ากรรมกรรมสกตาสมาธิิเชื่อกรรมและผลของกรรมคำว่าเชื่อกรรมและผลของกรรมนี่คือตามความเป็นจริงเลยเยชื่อกรรมและผลของกรรมตามความเป็นจรงนิง ไม่ใช่กรรมที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงกล่าวแล้วก็มีเฮริมีโอตปะมีสุตตาคือการฟังการศึกษามากมีความเพียรแล้วก็มีสติมั่นคงแล้วก็มีปัญญาอย่างที่ได้กล่าวในสัพุริสัธรรมนิ้สัต์บุรุษนั้นนะนะเขาบอกว่าต้องพักดีต่อสัตว์บุรุษก็คือว่าผู้มีศรัทธาเนี่ยบุคคลผู้มีศรัทธามีเฮริโอมีโอตปะมีสุตตามาก แล้วก็มีความเพียรมีสติที่ตั้งมัน่น แ, แล้วก็มีมีปัญญาแล้วก็มีมิตรเป็นสหายสัตบุรุษนั้นนะเ้าบอกว่าผู้พักดีต่อสัตบุรุษก็คือว่าในกลุ่มของสัตบุรุษทั้งหลายในยเวลาท่านจะมองก็มองบุคคลผู้มีศรัทธาเวลาท่านจะคบใครเนี่ยนะก็ต้องดูเออท่านนั้นมีศรัทธาเชื่อในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระริยะสงตามความเป็นจริงมั้ย เชื่อในกรรมและผลเป็นกรรมในกรรมเป็นต้นแล้วก็มีเฮ ร, ริมีอดตปาอนมีสุดตามากสุดตามากก็คือฟังและทำคําสอนของพทธเจ้าแล้วก็ทรงจำได้มากทรงจําแล้วก็ยังนอกจากจะทรงจําได้แล้วเนีย่ยังสามารถที่จะสาธยายตามเพ่งตามใช้ควรพิจารณาแล้วก็ประพูดปฏิบัติเลยนะมีความเพียรมีสติมั่นคงแล้วก็มีปัญญานั่นแหละจะมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยเป็นมิตรแล้วก็เป็นสาร ถ้าเรามีสัตว์บรุษเป็นเพื่อนเนีน่ยนะเป็นมิตรเป็นสหายในคําสอนบางทีถ้าในนึกถึงถ้าเป็นพระนี่นะเขาบอกให้นึกถึงเพื่อนพระมารยาเียมีภาษารีบุต ร, าารเป็นต่างเพูดไปร่าหน้าบานเสีชวไม่กล้าเห ม, มอ่อมองมองว่าท่านเป็นเพื่อนมีมองไม่ได้เลยใช่คําสอนนั้นว่างั้นนะก็าม่อลดับในึ่งสองไขเนีน่ยนะคิดดูโอ้ สัตว์บุรุษนั้นมีความคิดอย่างสัตว์บุรุษก็คือการคิดไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ทั้งผู้อื่นแล้วคิดยังไงเอาคิดเบียดเบียนตนเนี่ยคือความคิดที่เป็นใบกะอุสนความคิดที่เป็นไปกับโลภะที่เป็นไปกะโทสาและโมหะชื่อว่าเบียดเบียนตนบางคนเนี่ยไม่ได้มองนะว่าเออโลภะโลโทสารและโมหะเกิดขึ้นเนี่ยว่าเออนั้นในขณะนั้นเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนนะมีก็บอกว่ามี ยอมที่ว่านั่งรถรถมาที่บอกว่าถ้าบอกว่าเวลาเขาจะเกิดจะโกรธหรือจะเกิดโมโหอะไรเอเขาใช้ศัพท์ว่าคำว่าโมโหนก็คือโกรธนั่นถ้ า, ามันเกิดขึ้นแล้วเขาจะไม่เบียดเย็นไม่นเขาบอกเขาถือว่ามันไม่ผิดไอ้ไม้เขาบอกบอกว่าจริงดไม่เบียดเย็นไม่ยหนสมนติเราขับรถเนี่ยมีคนนั่งไปด้วยเนี่ยราโกรธเราไม่บอกใครแต่การขับรถมันผิดปกติไปใช่ไหม การขับรถก็ผิดปกติแล้วเราอย่าไปคิดว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนีงทีหน้าตาเนี่ยหน้าตาที่เราแสดงออกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่เป็นกันเองใช่ไหมทักทายปลาใสแต่ความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็หน่าบึ้งตึงมันก็เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็ อ, อึดอัดแล้วในขณะนี้ก็เลิอกอึดอัดแล้วนั้นลักษณะถ้าบ า, บาปอากระสุนแล้วทามันเกิดขึ้นกับันเองนียมันก็เบียดเบียนคนอื่นแต่เราบอกว่าไอ้ใครขี่แต่เวลามัน มันติดไฟขึ้นมาเนี่ยไหมใหม่มันก็ไหม้หัวมันก็น้าเจ่าก็ไหม้ก้านเนี่ไม่แยาเสด็ไหม้หมดเลยแล้วก็สัตว์บุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตว์บุรุษก็คือรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็รู้เพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นนั้นสัตว์บูรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตว์บูรุษก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคําหยาบแล้วก็เว้นจากการพูดเพื่อเจ้ ก็มีการงานอย่างสัตวบุรุษก็คืองดเว้นจากปานนติบาภงดเว้นจากอาทินนาทานแล้วก็งดเว้นจากกาเมสุมิชาจาร์ถามว่าถ้าสัตว์บุรุษมีความเห็นอย่างสัตว์บุรุษเขาเห็นยังไงก็ต้องมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วก็มีผลแล้วการบวงสรวงก็มีผลผลวิบากกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีโลกนี้มีแล้วเห็นยังไงก็โลกนี้มีเราเห็นยังไง ปัจจุบันเราเห็นไหมว่าโลกนี้มีเห็นไม่เห็ต้นไปนี้มีอยู่หรเป่าไอ้ อ, อย่างนี้เราก็ได้สัตว์บุตรข้อนึงแล้วใช่ไช่ท <c oughs> ่านไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะคําว่าโลกนี้มีหมายความว่าสัตว์อื่นนะที่ตายแล้วมาสู่โลกนี้อย่างนี้โลกหน้ามีก็หมายความว่าสัตว์ที่ตายเกิดตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีนี่รักษณาเงี้ยแค่โลกนี้มีก็โลกหน้าเหมือนกับพ่อแม่มีเนะี่ยสัตวบุตรก็เห็นว่าพ่อมีแม่มี ในปฏิจุบันเราก็เห็นว่ามีพ่อมีแม่ใช่ไหมแต่จริงๆคํำพูดนี้ท่านานั่งนึกคุณดูสิดูพุทธพจน์ดิใช่ไหมจริงๆนั่งนึกคุณเนี่ยบอกพ่อมีนะหรือแม่มีหมายถึงคุณเนี่ยถ้าเราแบบพุทธปฏิบัติ ด, ดีกับพ่อแม่เนี่ยหมายถึงว่าเออบุญที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่เนี่ยมีคุณมั่งถ้าปฏิบัติผิดต่อพ่อแม่เอาบาปมากแล้วเนี่ยนะหมายถึงคุณที่การบบดดประพฤติดีปฏิบัติดีหรือ ประพฤตไม่ดีปฏิบัติไม่ดีเขาเรียกมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกาเนี่ยมีก็หมายถึงสัตว์ที่เกิดแล้วผุดโ ต, นนตททโตทันทีเนี่ยมีอยู่อันนี้เข้าใจยากเหมือนกันใช่ไหมสัตว์ที่ถือปฏิสนธิประเภทที่ว่าปฏิสนธิแล้วโตทันทีเนี่ยมีทั้งรูปเบรทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโตทันทีเลยถูกไหมอันนั้นก็คือพวกโอปปาติกะสํานักพราหทั้งหลายก็รู้ผู้ดําเนินชอบปฏิบัติชอบ ป, อประกาศโลกนี้และโลก น่าให้แจมแจ้งนะนะแล้วเขรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมันมีอยู่นี่เป็นไปลักษณ ะ, ะถ้าสัตว์บุรุษที่ให้ทานอย่างสัตว์บุรษุษก็คือให้ทานโดยเครารพให้โดยความนอบน้อมให้ทานที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้มีความเห็นว่าทานนั้นมีผลเป็นต้นเอะไรยังไงนั้นลักษณะของสัตว์บุรษรจะเป็นไปโดยลักษณะถ้าอาสัตว์บุตรก็ตรงกันข้ามไม่มีศรัทธาไม่มีเฮริไม่มีโอตตาปะไม่มีสุตตาไม่มีความเพียรเป็นต้นเหล่าเนี้ย นี่ก็บอกว่าพอพระพรุจาก็ตรัสไว้บอกว่าว่าสัตว์บุรุษเนี่ยที่บอกว่าที่จริงสัตว์บุรุษบางแห่งท่านก็พูดถึงในเรื่องของคําว่าเกี่ยวในเรื่องของสัตว์บุรุษก็เรียกหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกันในเรื่องของว่าพาริยะก็ไดพระพุทธจาจะกล่าวไว้หลายๆสูตรแม้แต่ในสูตรแม้แต่สูตรที่ศึกษานี่ก็บอกว่าบอกว่า ได้เห็นสัตวบุรุษไม่เห็นพระริยาเจ้าปเปนะ็นต้นอะไรเนี่ยไม่เห็นสัตวบุรุษไม่เห็นพริยเาเจ้การเห็นในที่นั้นท่านก็กล่าวถึงว่าการเห็นด้วยตาเนี่ยก็เป็นต้นอนะนีงเออตาตาปัญญาทีนี้เมื่อตอนเมื่อตอนช่วงเ ช, ช้าเช้ช่วงภาพเช้าเนี่ยพูดถึงในเรื่องของอิฐธารมแล้วก็พูดถึงในเรื่องของสุคสมมนาธิอาศัยกรรมคุณแล้วก็สุคสมมนาธิอาศัยเนคขมว่าเขาบอกว่าถ้าสุคสมมนาธิอาศัย กามคุณเนี่ยท่านให้เว้นท่านไม่ให้เสพให้เว้นในที่นั้นก็หมายความว่าเช่นความยินดีความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นทางวานตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาต้องบอกอสุกสมนะที่อาศัยทางจักรภูทวารที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเป็นต้นใช่หมคือรูปารมณ์ที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีสัทธารมณ์ที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีคันธารมณ์ที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีราษฎรรมบุตรภารรมแล้วก็ ทำมารมที่ควรเสพก็มีแล้วก็ไม่ควรเสพคนมีถ้าหาว่าการเสพเนะี่ยการเสพปรูปารมณ์สัตรารมณ์คันธารมรัศสารลมโหมดถภารมแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อการได้ซึ่งกามาฉันทะบ้างพยาบาทบ้างแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของวิหิษาความเบียดเบียนเป็นต้นบ้างเนี่ยสุขสมนัตอย่างนั้นก็เรียกว่าอาศัยกรรมมาคุณไม่ควรเสพก็จะเป็นไปอย่างนั้นทีนี้ด้านของสุโสมนัตน่ะถ้าพูดถึงในด้านของเวทนาใช่ไหม เวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยที่เป็นสุขเวทนาอิงงามิตรก็มีทุกขเวทนาอิงงามิตรก็มีอทุกขมาสุขเวทนาอิงงามิตรก็มีเขาเรียกว่าเวทนาที่อิงกรรมคุณถ้าสุขเวทนายิงกรรมคุณคืออิงเกี๋ยวในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผั ส, สเนี่ยถ้าอย่างนี้เออมมองเห็นชัดหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าบอกทุกขเวทนาเนี่ยอิงกรรมคุณนี่อิงยังไงเออเช่นทุกขเวทนาในการอิง รูปารมสัทธารมคันธารมละธารมโภทพอารมณ์ท่านมุ่งหมายถึงบอกว่าบางทีโหยหานะเช่นว่าเออกรณีที่เราสมัยก่อนเรามีรูปงามๆ ม, มีเสียงเพราะๆมีกลิ่น ห, มหอมๆมีรสอร่อยๆแล้วก็มีสัมผัสที่นิ่มๆแต่สิ่งต่างๆเหล่ า, าลนะั้นปัจจุบันมันหายเกลี้ยงไปหมดแล้วเะไรเงี้ยครนะับที่เจรนาอย่างนี้ก็เกิดโทมนานขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าโทมานาที่อาศัยกรรมคุณหรืออาศัย อาศัยเรือนเนี่ยอันนี้เขาก็ให้เว้นทีนี้ถ้าหากว่าถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของสมานะที่อาศัยเนคขมะหรือว่าสมานะเวทนาโทมาัสเวะนาหรือเบขาเวทนาที่อาศัยเนคขมะเนี่ยก็หมายความว่าอาศัยเวทนาเหล่านี้ เ, เป็นปัจจัยเหตการที่จะน้อมออกจากกรรมามคุณเป็นต้นอะไรเนี่ยเขาจึงจัดอารมณ์เป็นสองประเภทไว้เนี่ยเป็นสภาวะอิทธารมอารมณ์ที่ดีโดยสภาพ คืออารมณ์ที่คนส่วนมากเขาเขาชอบไอ้เขาเขาเห็นกันว่าดีเนี่ยส่วนป ร, ริกาาราปถิฐอารมอารมณ์ที่ดีโดยการนึกคิดดีเฉพาะบุคคลเลยเออไ อ, บอ้บางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยคนบางคนไม่ชอบเนี่ยเช่อนอย่างยกตัวอย่างนะบอกว่าถ้าโดยมากถ้าหากว่าศึกษาในทางด้านของวิถีเนี่ยเขาจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวตัววัดอย่งยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า กลิ่นที่หอมหอมใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าหอมแต่กลิ่นบางอย่างนี่มันเหมือนใช่ไหมแต่สัตว์บางจําพวกหรือบุคคลบางคนเนี่ยชอบเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เรียกเป็นปริก ร, ระอิทธาลมเป็นเฉพาะของบุคคลคนนั้นก็เหมือนกับถ้าถามบอกว่าคนเนี่ยเกี่ยวไปในเรื่องของไอ้ที่มันของสกปรกทั้งหลายเนี่ยถ้าทางทวันตาก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเนีทางทวานจ ม, มูกก็ไม่ชอบใจใช่ไหม แต่บางครั้งทางภวการเออกับดีใจนิดหนึงบางทีเขาเขาเขายกตัวอย่างมาที่ก็บอกว่ามีมีมีคนคนหนึ่งเขาก็ไปไปเมาเป็นเมานี่ยก็เรียกเมาเมากัญชาเขาเมาเมากัญชากลับมาที่บ้านก็โอหิวเขาบอกคนจินกัญชาเนี่ยมันมันหิวมาก็ขลองแล้วเนี่ยน้ำมันก็มีรูหิว ยินดีโยงก็เหมือนั่งรออีกบ้างแล้วลูกชายก็าเนยติดกัญชาของเนี้ยทีนี้ก็กลับมาที่บ้านเ้าก็บอกอ่ะมันออกจากบ้านก็ก็ความโม้าวอยันหมดก็แล้วกันแล้วก็เมาเสร็จเขามาก็ลับมาที่บ้านเริเสร็จเขามากันกับเพื่อนแล้วก็เมาเขาเข้าที่ครัวเขาคว้าเลยแล้วเขานั่งโอ้ยดีเลยเขาข้าวยังเหลือเขากินคนที่มันเมาเนี่ยมันจะกินได้เป็นหม้อหมอเลยนะกินหมดเลยนั่งกินไปเสร็จก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม่ก็มาทำ ไปสองสองคนหนึ่งยังไม่ตื่นอมาแม่ก็ถามลูกสาวว่าไอ้หนูเมื่อวานเนี่ยบอกให้เอาข้าวไปให้หมูกินแล้วหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยว่าบอกไปดูใสเขาใส่หม้อไว้แม่ไปดูหมดแล้วคือเขาผสมล้มเขาไว้ผสมล้มเขาไว้เกิดเสร็จมันนี่ท้าลมมันเยังคนเมาอ่มันนึกว่าอาหารแยอดอร่อยแล้วเาผสมแล้วก็ซอยพวกไอ้นี่พวกผับบุ้ง แล้วก็เอาไอ้ลำที่เขาแปรเป็นลำเนี่ยเขาไวเลี่ยงหมูเขาก็ใส่ก็าผสมเนี่ของเน่าๆแม่ที่เขาใส่เข้าไว้ใช่ไหมแล้วก็ซอยพวกเผาโป้งใส่เต๊ะหม้อใหญ่ๆเลยสองคนก็กินเรียบร้อยเลยยังไม่ตื่นเลยว่านี ics, it, ่อิทฉาลมของคนที่มองถ้าในรับตันอย่างเงี้ยอย่างนี้ยก็เรียกว่าอิทฉาลมมันเป็นปริกปะอิทฉาลมนะอันนี้ไม่ใช่สภาวะไม่ใช่สภาว่าอิจฉาลมแล้วคนบางคนก็เป็นอย่างเงี้ย บางทีเนี่ยสิ่งบา ง, บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ชอบแต่พวกนี้เขาชอบเชื่อว่าคนดูจซอมเนี่ยก็ชอบปจิจิลาเข้าไปขายเข้าไปขายเลยแปลกเลยเขาไม่ชอบกินนะเขาชอบไปขายชอบไปขายนั้นตัณหามีอยู่สามอย่างการมาตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาในตัณหาสามอย่างนั้นเนี่ยถ้าหาภาวะได้ตามอารมณ์เรื่รูปตัณหาก็มีสามใช่ไหม ความยินดีพอใจในรูปก็เป็นแบ่งเป็นสามเป็นกรรมมัตหาอย่างหนึ่งเพราะว่าตัณหาอย่างหนึ่งวิภวตัณหาอย่างหนึ่งสัทธตัณหาความยินดีพอใจในเสียงก็แบ่งเป็นสามเป็นกรรมมัตราเพราะว่าตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาแล้วก็ระสะตัณหาความยินดีพอใจในรสคันธะตัณหายินดีพอใจในกลิ่นแล้วโพธพาตัณหายินดีพอใจในโพธพะแล้วก็ธรรมตัณหายินดีพอใจในธรรมารมณ์สรุปแล้วก็คือว่า ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิก่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมณ์เนี่ยหกอย่างเนี่ยเอาตัณหาสามไปคูณสามหกก็เลยเป็นสิบแปดใช่ไม้มเป็นตัณหาสิบแปดทีนี้ถ้าจะเป็นกรรมวัตัณหาจะยินดีพอใจในรูปเป็นกรรมวัตต์ตัณหายัางไงก็คือความยินดีความเพลิดเพลินนี่นะความติดข้องทั้งหลายแล้วก็ออกจากสิ่งเหล่านั้นค่อนข้างยากแล้วถ้าเป็นภาวะตัณหาเราเป็นยังไงยินดีพอใจในรูปเหมือนกันใช่ไหมแต่พร้อมด้วยอะไร พร้อมได้สัตสตาทิฏฐิก็เห็นว่าเที่ยงเห็นว่าโอ้รูปเนี้ยจักเที่ยงแท้แน่นอนและจะอยู่กับเราอีกนานเนี่ยการเห็นในลักษณะนี้เป็นเพราะว่าตัณหาทวิเพราะว่าตัณหาก็ความเห็นความยินดีความเพลิดเพลินนั่น แ, แหละแต่ว่าเกิดร่วมกับอุเฉตทิฏฐิความเห็นว่าอารมณ์นี้ขาดศูนต้องรีบจัดการจะจะต่อไปตายก็ไม่ได้รับอารมณ์ประเภทนี้อีกแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าอุเฉตทิฏฐิถามว่าเออในรับเขาก็ถามกันตอนนั้นเนี่ย เขาก็บอกว่าระหว่างคนเรียนจบระดับมัธยมเนี่ยนะมัธยมปีที่หกกับคนจบปริญญาตรีเก็ลองทำสํารวจดูระหว่างความเห็นว่าความเห็นตายแล้วเกิดก็เห็นว่าขาดสูนย์บอกอปริญญาตรียกกันเป็นแถวแล้วแปลกยิ่งยิ่งเรียนสูงเก็ยิ่งเห็นว่าตายว่าขาดสูนยมันนึกประหลาดมากนะเขาไม่รู้เป็นไงไม่รู้แปลกเลยยิ่งเรียนสูงยิ่งเห็นว่าตายแล้วขาดสูน ไม่รู้เรียนวิชาเลยเรื่องแปลกงแปลกจริงเนี่ยก็ได้ได้สิบแปดในสิบแปดก็เป็นอดีตด้วยนะอดีตสิบแปดปัจจุบันสิบแปดอนาคตอีกสิบแปดเป็นเท่าไหร่เแล้วก็เป็นการเลยนะการสามอีกนะที่จริงที่จริงก็คูณยังไงเดี๋ยวต้องดูกันนะอารมณ์หกคูณด้วย อารมณ์หกแล้วก็คูณด้วยตัณหาสามเป็ น, นสิบแปดนะแล้วก็การสามอีกปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็เป็นภายในและภายนอกเนี่ยพอดีเลยได้ตัณหาร้อยแปดแต่คูณให้เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วมันคูณไปคูณมามันได้ร้อยแปดแหละกิเลสในตัณหาร้อยแปดแต่ก่อนนี่เขาคิดยังไงตัณหาร้อยแปดอ๋อคิดอย่างนี้ก็เหมือนกับมันจะกรณีบุญเนี่ยนะ เช่นกรณีเอบุญเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วได้เยอะจริงนะอย่างในมหาอุศลเนี่ย น, นะอย่างยกตัวอย่างเช่นมาหาอุศ ล, ลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะปารลบลูปารมก็ได้ใช่ไหมเป็นรูปประธานนางสัทธ า, ทานนังกันท่าทานนางและสัททานนางโพดตาทานนางธรรมะทานนางได้หกเลใช่ไหมเนี่ยปารลในลักษณะนี้ก็ลองคิดดูดวงที่หนึ่งได้อารมณ์หกแล้วดวงที่สองก็ได้อารมณ์หกใช่ไหมดวงที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้อารมณ์หกเนี่ยมันจะมันจะไปลักษณะอย่างนี้ ทีนี้ต้องบางทีไม่ใช่แค่ น, นั้นแล้วไม่ใช่อยู่แค่นั้นนี่คิดเป็นการสามก็อีกโผไปเลยใช่ไหมเพราะจากการสามไม่พอเนอะทิบดีมาใส่ก็อีกโผไปเลยเป็นออกที่เป็นไปกับชันทาทธิบดีบ้างวิริยาธิบดีบ้างจิตตาธิบดีโอมังสาธิบดีเป็นต้นเลยทีนี้วิปลาดมีอยู่สามเนี่ยสัญญาวิปลาดความจําหมายว่าคาดเคลื่อนจิตตาวิปลาดกับความคิดที่คาดเคลื่อนทิฏฐิวิปลาดก็คือความเห็นว่าคาดเคลื่อนนี่เนาะ ในวิปปราทั้งสามอย่างนั้นก็มีอย่างละสี่วิปปราตคาดเคลื่อนในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็แล้วแต่ไหมถ้าจําว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนี่เป็นสัญญาวิปปราต์นะถ้าหากว่าคิดว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างนี้ก็เป็นจิตตาวิปปราตถ้าเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าว่าเที่ยงนี่ก็เป็นทิฏฐิวิปปราตอย่างเนี้ก็คือวิปปราตคาดเคลื่อนในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง วิปราส์คาดเคลื่อนในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็วิปราส์คาดเคลื่อนในสิ่งที่เป็นไม่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนเยแล้วก็คาดเคลื่อนในสิ่งที่ไม่งามว่างามก็แบ่งเป็นสิบสองด้วยการนินัสนะส่วนอาทีนวะเนี่ยคือทุกขโทมานัททุกขะทุกก็วิปริณามะทุกสังขาระทุกก็แล้วก็ขันที่เป็นไปในภูมิสามเนียนิสระนามีสองอย่างอริยมรรคและคนิพพาน ถ้ามรรคในมิลสามนะส่วนญาติมรรคอนิมิตตมรรคแล้วก็อภะนิฮตามรรคส่วญตามรรคนี่มาสายไหนสายของอนัตตานุปัสสนาถ้าอนิมิตตมรรคก็มาสายอนิจจานุปัสสนาใช่ไหมถ้าอัปนิีิตมรรคก็มาสายอะไรทุกขานุปัสสนาที่จริงเวลาการเจริญวิปัสสนานี่ยถ้าถามว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาแล้วก็อนัตตานุปัสสนาเนี่ย อ้าอนี่จานุปัสสนาคือปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นอะไรเห็นลักษณะของรูปนามใยความเป็นปทุกข์ที่จริงถ้าถามว่าปัญญาเนี่ยที่เป็นตัววิปัสสนาเนี่ยถามว่าเห็นอะไรเบื้องต้นจริงๆก็เห็นอะไรเห็นด้วยความเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเห็นด้วยความเป็นไตรลักษณ์ที่จริงไตรลักษณ์เนี่ยในชั้นของอัอตฉริยในชั้นของดีกาเนี่ยเขาบอกไตรลักษณ์นี่เป็นบัญญัติเนี่ยเขาเรียกตัชชาบัญญัติใช่ไหม ประชาเ็ อ, อย่างนี้เขากลัวกันมากนะพิปัสนากลัวมีบัญญัติเป็นหลอก <c oughs> กลัวพิปัสนามีบัญญัติเป็นมไม่ต้องกลัวหลอกใช่ไหมถ้าถามว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดความหลงเนี่ยโมอไอ้บัญญัติเนี่ยทาให้เกิดความหลงได้เยอะไหมเยอะไมเยอะได้มากเราหลงคลธรรมาก็หลงบัญญัตินี่เล้วหลงอะไรบ้างเยอะ ลองปัญญัดนามากใช่ไหมให้สังเกตตัวนะว่าปฏิเวทญาณวันก่อนพวกกลางก็เรีนคำว่าปฏิเวทญาณแล้วพวกกลางก็ลงแลว่าอยมอกอาจารยมาก็เลยไปแกะบอกว่าจริงๆว่าปฏิเวทญาณเนี่ยเป็นทั้งโลกียะและโลกุตตะในปฏิเวทนี้ไปตามทางตลอดนี่ปฏิเวทที่เป็นโลกียะเนี่ยก็นับเอาวิปตุวิปัสนาญาณนั่นที่เป็นโลกียะทั้งหมดนั่นคือปฏิเวท คือการแทงตลอดที่เป็นโลกียะแต่ถ้าหากว่าปฏิเวทะที่เป็นโลกุตระก็อันหมายถึงอริย ม, มรรคเป็นต้นนี้อ่าถามว่าปฏิเวทะที่เป็นโลกียะเนี่ยเขาแทงตลอดโดยการกระทําให้เป็นอารมณ์หรือว่แทงตลอดทั้งนี้แทงตลอดอาาัฏฐะแทงตลอดธรรมะเป็นมาป็นต้นหรือไม่แล้วก็แทงตลอดเลยแทงตลอดบัญญัตินี่แทงตลอดอัฏถะและธรรมะเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นแทงตลอดธรรมะนี่นะธรรมะนี่คือธรรมที่เป็นเหตุอัตถาก็คือธรรมที่เป็นผลอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอวิชานี่ไหมอวิชานี่ไหมอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนี่อวิชานี่เป็นตัวธรรมะนะจะเป็นตัวเหตุเป็นปัจจัยนั่นเองสังขารนั้นเป็นตัวผลคือปัจจยุบันนี่ไหมคือปัจจยุบันอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตัวอวิชานี่เป็นปัจจัยเกิดปุญญาพิสังขารก็ได้อวิชานั้นเป็นปัจจัยเกิดอับปัญญาพิสังขารก็ได้ อวิชานั้นเป็นปัจจัยเกิดอาเินชาวิสังขารก็ได้ใช่ไหมถ้ากลุ่มนักศึกษาทางด้านภาพวิธามมาทังท่านต้องปัจจัยก็เลิ่มจะมองห่อยว่าเออเป็นยังไงถ้าอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดอปุญญาวิสังขารอาปุญญาวิสังขารไม่เกิดเจตนาที่ในอกุศลละจิตสิบสองก็คือตัวกรรมเองเจตนากรรมที่ในอกุศลแจิตใช่ไหมเจตนาที่ในโลภมูลจิตแปดเจตนาที่ในโทสะมูลจิตสองเจตนาที่ในโมหมูลจิตสองนั่นคือตัวเจตนานะี่ยแหละเป็นตัว เป็นตัวสังขารทีนี้เจตนาที่ในอกุศลธรรมเนี่ยเขาเรียกวาอกุญญาวิสังขารเจตนาเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีอวิชานะั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้อวิชชาที่เป็นปัจจัยเกิดอปุญญาภิสังขารนั่นเป็นไปหลายลักษณะนะลักษณะหนึ่งก็คือตัวอวิชชากับตัวเจตนานนะั้เกิดร่วมกันอยู่ในจิตดวงเดียวกันเช่นอวิชชาคือโมหะเจตสิกอยู่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเจตนาเจตสิตกก็อยู่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเห็ม ฉะนั้นอาวิชาก็เป็นปัจจัยเจตนาที่เกิดร่วมก็เป็นปัจจยุบันไปอย่างนี้นะไม่ใช่เฉพาะแต่เจตนาเท่า น, นั้นนะทำที่สัมยุญกับเจตนาหรือทำที่สัมยุญกับโมหะทั้งหมดใช่ไหมถ้าในโลภะมโนจิตดวงที่หนึ่งเขาเจตสิกประกอบสิบเก้าดวงที้มองเห็นเลยเห็นตามอัตมาพุทธบอกเลยเห็นหเห็นลึกแล้วเห็นลางๆมันเนี่ยใช่ไหมในในนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าในนั้นก็คือในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยบอกอาวิชาเป็นปัจจัยก็จะเป็นอะไรเนียวเอาวิชานั้นเป็นเหตุปัจจัยได้ไหมไ ด, ได้ใช่ไหมโอ้เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยเจตน า, เจ ต, นาเจตสิกและสามยุธทธธรรมที่เกิดร่วมมีจิต ด, ด้วยแล้วก็เจตสิกด้วยในที่นั้นเีอะเวรนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารลขันวิญญาณขันที่เกิดร่วมกับเจตนานั่ น, นอันนั้นก็เรียกว่าเหตุตัวปัจจุบันอย่างนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะที่อุปาทกนาของ โลภะมูลจิตดวงแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตตะเชลูปเขาเรียกว่าอาคุสวนจิตตะเชลูปนี่มันสิบเจ็สิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดเนี่ยก็เกิดขึ้นที่อุปาทคัะสรุปแล้วก็คือว่าสมุทชเราจะเดินเนาะในขณะที่จิตคิดจะเดินเนี่ยถ้าจะเดินด้วยด้วยโมหะเหตุก็ได้นี่ไหมโลภานี่เป็นเออโมหะอวิชานี่เป็นโมหะเหตุเราเดินด้วยความไม่รูอ้อ่ะอาะไม่รูร้ย <17. S 1> ังไงอ่ะ คือการเดินเราไม่เห็นอริยสัตว์เลยนในการเดินนะพวกกันนะในขณะที่เดินน่ะมีจิตที่คิดจะเดินไม่มีใช่ไหมมีจิตมีจิตที่คิดจะเดินเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นถ้าเอาเอาวิชาเป็นปันจจัยใช่ไหมเอาวิชาน่ะเป็นโมหะเนี่ยเป็นปัจจัยเนี่ยเจตนาเป็นต้นก็เป็นปัจจยุบันไปไม่ใช่เจตนาเท่านั้นน่ะสามัยุทธธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมใช่ไหมธรรมที่เกิดร่วมก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขาระขันธ์วิญญาณขันธ์นถามแค่นั้นไม่ไม่ใช่แล้วแล้วก็ยัง จิตตชื้อโรคอวิชรจิตต่ชโรคก็เป็นไปเพราะในขณะที่จิตที่คิดจะเดินกันไปใช่ไหมในขณะนั้นโมหะก็เกิดแล้วในขณะที่โมหะคือโมหะเจตสิกหรืออวิชานะั้นเป็นปัจจัยอยู่เนี่ยปัจจยุบันของเขาก็กลุ่มนามธรรมา ท, ที่เกิดร่วมแล้วก็ยังมีรูปธรรม ท, ที่เกิดขึ้นที่อุปาทขนาของโลภะมูลจิตดวงนะั้ะเดินด้วยความโลภเลยในขณะนั้นไม่รู้เลยนะว่าหนึ่งจิตที่คิดจะเดินสองจิตต่เชวายโยธาใช่ไหม สามก็คือการรัชกายคืออียบทนะนะเอียบทในการที่มีการเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมการที่ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงในลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าโอ้ชัดเลยเงี้ยเรื่องมัวเราก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เลยนะในชีวิต จ, จริงนะไม่ได้เห็นว่าโอ้จิตสิ่คิดจะเดินจิตแต่ชวาโยธาดแล้วก็คือการรัชกายคือรูปกายเป็นต้นที่เป็นไปกับอียบทนั่นก็มีการเดินไปข้างหน้า นั up, ้นในถ้าว่าเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็มีการก้าวไปแล้วถอยกลับใช่ไหมที่ก้าวไปถอยกลับเนี่ยถ้าอายะบทเดินเนี่ยมีการเดินเดินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าที่เดินไปนั้นเน่ยเป็นความเป็นไปของรูประธรรมและรูปธรรมเป็นไปอยู่ใช่ไหมเขาจงบอกว่าในขณะที่เดินเป็นไปตามลําดับเนี่ยพอหยุดปุ๊บเนี่ยนะรูปธรรมว่ารูปธรรมที่เป็นไปในขณะเดินเนี่ยดับแล้วในขณะยืนเพราะในขะยืนปุ๊บเนี่ยรูปธรรมว่ารูปธรรมนี่ดับแล้ว หมายความว่ารูปประทามารูปประทามที่เป็นไปในขณะเดินเนี่ยตอนั้นหมดก็ยังเลยนะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีแล้วจิตที่คิดจะเดินก็หมดกลุ่มนามธรรมทั้งหลายก็หมดแล้วก็จิตติชวายโยธาตไม่ใช่แค่นั้นแล้วยังมีกรรมชัลูกก็ดีอุตตุชลูกก็ดีอาหารชลูกก็ดีเนี่ยเวลาเวลาจิตตชวายโยธาพินนะพัดผันพัดผันไปในการราชกายเป็นต้นไหนใช้คำนวณ น, นะคําว่าพัดผันเนี่ยไปในการราชกายเป็นต้อนอะไเนี้ย ไม่ใช่แต่จิตแต่เชาวาโยธาเท่านั้นเนะเคลื่อนไหวใช่ไหมเพราะว่ากรรมชะลุอุตุชรลุแล้วก็อาหารชะลุก็ต้องเคลื่อนไหวไปด้วยใช่ไหมถามเวลาเราจะเดินเนี่ยไปได้ขาได้ไหยไม่ได้เลยแม้อวัยวะส่วนอื่นไม่เกี่ยวข้องก็ต้องไปด้วยใช่ไหมใช่ก็ต้องไปด้วย ก, ก็แบกกันไปเนี่ยก็เป็นไปนในลักษณะอย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่ปัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ถ้าถามว่า การยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยถ้าหากในขณะที่ยืนเนาะเรามันนั่งถามว่ารูปธรรมมรูปธรรมที่เป็นไปในขณะยืนดับแล้วในขณะนั่งเนี่ยหรือในขณะที่นั่งแล้วก็เราล้มตัวลงนอนแล้วก็บอกว่ารูปธรรมมรูปธรรมที่เป็นไปในขณะนอนเนี่ยเอายืนเนี un, ่ยขณะนั่งเ น, น, นี่ยดับแล้วในขณะนอนนั้นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสติสมัมปชัญญะที่เป็นไปในฐานะเจตถามเอ้ในชีวิตจริงนี่ดูยากไหมเนี่ยยากไหม呀 ที่จริ ng ง่ายยากว่าแต่ว่าพิจิ ng เลยมากเราไม่ค่อยได้ไข้ควรตรงนี้ไม่ค่อยได้ไข้ควรนันในชีวิตจริงเลยมากแล้วก็พอพบเราคิดเรื่องอื่นหมดเลยใช่ไหมคิดเรื่องอื่นว่าเอะวันนี้เราจะทําทอะไรมันไฟหมดลแล้วตอนนี้หรือในขณะที่สนท น, นากันก็กก็ก็ลืมไข่ควนรทีนี้ในด้านของนิพพานท่านแบ่งเป็นสองเป็นสาวุปาทิเสสนิพพานแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานในสองอย่างนั้นก็คือว่า สาวปาที่เสสานิพานก็คือนิพานของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นียอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นุตตะละสมาสัมปวิยาณแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังมีพระชนชีพอยู่แต่ว่ากระแสกิเลสทั้งหลา ย, นยในขันธสันดานของพระผู้มีพระภาคตัดขาดเขาเรียกว่าเป็นสมุเฉทพระอรหันต์อย่างเนี้ยนี่ตอนนี้แปลว่าได้ตดรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นน่ะถ้าพูดถึงลําดับ อย่างก็เรียกว่านั่นไงก็เรียกปฏิเวทญาณที่เป็นโลกุตระหรือเรียกย่างหนึ่งก็เรียกปฏิเวทธาตธรรมจักรตอนนี้นะเป็นปฏิเวทาธาตุธรรมจักรนะก็แปลว่าพระองค์ทําสติปฐานสมปุติทานอิทธิบาทอินทรีย์พระโคดชงแล้วก็อริยมรรคประชุมในขณนะจิตเดียวกันนะ่ในแง่อริยมรรคเมื่อคืนไปที่ไปพักที่ที่บ้านคนุณโยมก็ไปเห็นหนังสืออยู่เรื่อง เชื่อวิชาศาสตร์ญี่ปุ่นตื่นมาบานสตีสองก็เียมาใครก็เดินไปเดินมาใช่ตอนนี้เขียนหนังสือลองเปิดดูอ๋อเขาเขียนเรื่องสติปัฏฐานภาวนาเขียนอย่างนั้นเ่ยเล่มเล็กๆแต่มาเขาพลิกๆๆเรียนนั้นเขเขียนว่านักนักปริยัตินักปริยัติบอกว่าถ้าการปฏิบัติน่บถ้า ถ้าออกจากปริยัติแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าคิดนอกคําสอนไม่ได้ถือว่าผิดคือเราติงนักปริยัติอานมาเอื้อดีมุ่งเนมาอ่านนาะอยากดูก็มองกันเนะมองนะอาจารย์ก็อกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าไปพิจารณากายานุปัสสนาก็จะต้องอยู่กับกายานุปัสสนาเท่านั้นจะออกจากกายานุปัสสนาไม่ได้เลยว่าเยอะมายเรื่งวางกันที่ท่านก็เลยบอกว่า แต่ท่านเองเนี่ยท่านจะไม่พูดตามปริยัติแต่ท่านจะพูดตามปฏิบัติ <c oughs> อันนั้นเลยว่าตามปฏิบัติของท่านอย่างปฏิบัติของท่านเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับปริยัติบางนั่นเปริยัติเน่ยหาอ่านได้ง่ายแล้วจะปฏิบัติเนี่ยหา ย, ยากากันก็เลยอ่านวามกันแลเออดี <c oughs> แล้วก็ดีเหมือนกันเลยนะนี่เทศทศพระพุทธเจ้ากราดเห็นไหมให้บอกดูก่อนนะ น, อนท์ทาและวินัยที่สถาทัดสแสดงแล้วบัญญัติแล้วใช่ไหม ทำแล้ววินัยนั่นจะเป็นศาสดราของพวกเธอหลังการลงไปงงอย่างๆเราพิจารณาเอยเอ๊ะทำแล้ววินัยที่สถาคดแสดงแล้วบรรจัดเลยเอ๊ะทำวินยัยคืออะไรเจ้าทำวินัยนี่ใช่ปริยัตนะิใช่นะใช่ปริยัติทีนี้ว่าบางทีนนในสายตาของกลุ่มที่เขาบอกว่าเออเรียนปริยัติมันลําบากนะเนกี่ยเรีนปริยัตลําบากสู้ทิ้งปริยัตเลยดีกว่า แล้วก็ใกล้ควรการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะมองมองอะไรเยอะว่าเขาจะมองจะมองก็เหมือนมันว่ามันมองพวกกันนะไม่ใช่มองจตมานะมองเขาแบ้โมฆะโมกเลยไม่เห็นของจริงเลยเลยน่าฟังดีไหมเวลาเขาเาว่าเราอยังนีก่อนเนียโดีใจเดีจะเป็นแบบนั้ดีใจถ้าใครจะบอกว่าท่านมยมยเยอะ ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นภ า, าษาสราของเราเลยเป็นภาษาสดาการการที่มีใครก็บอกความหมายแล้วก็อ้างอ้างบริยัตจริงๆเป็นเรื่องที่ดีต้องคันไม่ยอมอ้างไอ้ตรงนี้ประเด็นที่มีไปอ้างกันอ้างมากๆเลยเพราะถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เจริญเลยทีนี้คำว่าปูชาจะปูชนียานางในองค์ธรรมได้แก่อะไร เดี๋ยวไล่กจะได้เข้าหลักเพื่องนี้บูชาจะปูชนี่ยนางองคธรรมได้แก่อะไรต้องหาองคธรรมเยอะไหมถ้าไม่หาองค์ธรรมเนี่ยมันแยกไม่ออกกันนะตรงนี้นะเช่นเราไปบูชาเนี่ยไปกราบไหว้สกการะไปบูชาเนี่ยหาองคธรรมหน่อยนักศึกษาก็ทําคําสอนของพระเจ้าช่วยกันหนาองค์ธรรมหน่อยบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยองคธรรมได้แก่อะไรใครที่พอศึกษาวิธรมลองยกมือขึ้นหน่อย บูชาจะบูชนียานางเนี่ยนะองค์ธรรมของการบูชาได้แก่อะไรรู้ไหมได้แก่กุศลจิตตุบาบาทแล้วก็อะไรอัพยาจิตตุบาบาทนะนะคือถ้าหากว่ากุศลจิตตุบาบาทหมายถึงกุศลและจิตแล้วองค์ธรรมการบูชานะเราจับบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะองค์ธรรมของเขาก็คือตัวกุศลจิตตุบาบาท ทีนี้ถ้าหาเป็นพระลรหันท่านบูชาก็คือกิริยาจิตตุบาทของท่านหรืออัปยาจิตุบาทของท่านนั่นแหละนั่นก็คือคือองค์ธรรมของการบูชาทีนี้แล้วกุศลเนี่ยนะกุศลจิตตุบาทที่เกิดขึ้นน่ยเหมือนเราตั้งบอกว่านะโมตสัสสะภควาโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์เนี่ยคือจิตที่คิดนอบน้อมเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเป็นกุศลจิตตุบาตนะใช่ไหมนึกกรณีที่เรามีดอกไม้ทุบเพียนของหอม มีผ้าริของต่างๆที่เราจะไปสักการะไปบูชานั้นะน่ะถามว่าบูชาจะถูกหรือไม่ถูกก็ดูกุศลจิตดูนะดูกุศลจิตด้วยนะว่าถ้าหากว่าวัตถุทานมีอยู่แต่จิตที่น้อมบูชาไม่ใช่กุศลจิตอันนี้เรียกบูชาหเอาเลยไหมเนี่ยเพราะมีเยอะแยะกลใช่ไหมกรณีการบูชาเนี่ยฉะนั้นเวลาเราจะดุบูชาเนี่ยหนึ่ง วัตถุทานตน้องมีสองนามธรรมเกี่ยวในเรื่องของเจตนาคือจิตคิดจะบูชาเป็นต้นก็นตรงนี้ใช่ไหมต้องเป็นกุศลจิตตูบาต ท, ที่จริงท่านเอาทั้งจิตและเจตสิกก็คือนามขันสีนั่นแหละเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันที่เกี่ยวกับมหากุศลจิตตูบาตนี่หมายถึงเร า, ท, า, ท, าท่านทั้งหลายนี่นหมายถึงนามธรรมตรงนั้นแหละที่คิดนอบน้อมที่คิดบูชานั่นแหละทีนี้เมื่อนามขันนอบน้อมแล้วน่ะรูปธรรมนอบน้อมได้ไหม นอบน้อมด้วยใช่ไหมไกายกรรมก็คือมีการปนมมือมีการโค้งมีการคำนับมีการกราบมีการลุกว่ามีการทําอัญเชิญกรรมสามมีกิจกรรมเป็นต้นฉะนั้นที่พระมหินทเทราท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปประกาศพระศาสนาที่ลังกาเนี่ยท่านบอกกับพระยาพระเจ้าเทวานมามบิยะดิศาบอกว่าข้าพระเจ้ารู้สึกจิตใจจิตใจของอาตมาเนี่ยแห้งแล้ง คือจิตใจนั้นไม่ค่อยสมนัตเลยเพราะงั้นน่ะอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าแต่ไหมเป็นพระอรหันต์ท่านบอกท่านอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าแต่การว่าถ้าพูดอย่างเนี้ยจะทําให้คิดว่าบุคคลที่บุคคลที่ปฏิเสธอาบิสบูชาต้องคิดใช่ไหมนี่เป็นคำพูดของพระอรหันต์นะต้องคิดแล้วแต่เนี้ยเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าปฏิบัติบูชาเป็นเยี่ยม ใช่ไหมอามิสบูชาเนี่ยเป็นลองอามิสบูชาเนี่ยเป็นรองถามว่าท่านหันท่านทำทำไมท่านทําท่านทาอามิสบูชาทำไมท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทําการลุกลับท่านไม่ได้ทําอัญชลีกรรมใช่ไหมท่านไม่ได้ท่านไม่ได้อภิวาสพระพุทธเจ้าพระภูมียบภาคเจ้าหรืออาจารย์เนี่ยไม่ได้ทําอัญชลีกรรมไม่ได้ลุกลับ ไม่ได้ลุกแล้แล้วก็ไม่ได้ทาําสามมีจีกรรมตามคนทีนี้ถ้าลองดูดูดว่าท่านภาษารีบุตรเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าอาจารย์ของท่านใช่ไหมคือท่านพระอาชิอยู่ทางทิศไหนท่านจะไม่ทํา ไ, ไม่เอาไม่เอาเท้าท่านไปทำรทางอาจารย์หรือถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศไหนเนี่ยท่านก็จะเอาศีรษะไปทางในทิศนั้นเป็นต้นหนึ่งอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าท่านเอายิวาาอาจารย์ท่านว่าอาจารย์ท่านเคารพอาจารย์ ไม่ใช่โอ้เป็นพระอรหันต์แล้วสบายแล้วไปเคารพใครก็ได้จริงๆน่าจะไปอย่างนั้นึซ้ำไปใ่ไหมใช่เพราะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านจะไปเคารพทำไมท่านจะไปาารีนฟานวันไหนก็ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่เลยเออท่านทำทำไมฉะนั้นองค์ธรรมของบูชาก็คือกุศลจิตุบาทแต่ว่ามีการนอบน้อมนะโดยการอภิวา ด, ด้วยการลุกลับโดยการทําอัญเชิญกรรมแล้วก็สามีจิตรรม ท, าทํ า, าว่าอภิวาสทนยังไงการไหวใช่ไหม การไหวพี่ว่าลุกลับเห็นอาจารย์เดินมาเต้นไกก็ลุกลับเนี้ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าลุกลับกับแล้วก็ทําอัญชลีกรรมก็คือประคองประคองอัญเชลีเชื่อไหมคนบางคนเขาเห็นพระธาตุเห็นพระเจดีย์หรือไปสถานที่ตัดสุ้ของพระพุทธเจ้าเขาประนมมือไปแต่ไกแล้วก็ทาอัญชลีกรรมเขาไหว้อาจารย์นี่ไหมเขาไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเคารพจิตที่คิดจะบูชามีอยู่ บางทีท่านบอกว่าบางคนเขาไม่มีดอกไม้ตัวเพียนน่งท่านใช่อะไรเขาบอกว่านา ม, รร ม, มาทำของข้าวเจ้ารูปประเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขั น, ขนวิญญาณขันของข้าวเจ้านี่แหละจากนอบน้อมแล้วก็นำรูปประขันที่มีอยู่นี่แหละจากนอบน้อมคุณของพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าเอามารูปประขันมีอยู่ใช่ไหมนามาทำมีอยู่จิตที่คิดที่จะบูชาปร ะ, สะเสริญคุณเลยอิติปิโสพระกวาัน่นแหลมชื่อว่าอะไรนำ รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาเนี่ยมีสาระของความงามมีไหมมีสาระของความเที่ยงมีไหมสาระของความสุขก็ม่มีสาระของความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีสาระอะไรเลยแต่นำสิ่งเราเนี่ยก็รมนสิการ์ว่าข้าพเจ้าจะนำสิ่งที่ไม่มีสาระใช่ไหมนำขันที่มันมีสาระนี่แหละไปสักการะบูชาพระภูมีภาคเจ้าเพื่อนำสาระให้เกิดขึ้นในกระแสขันนี้นะ้คือนำศีแลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระ แล้วก็วิมุตติสาราวิมุตติญาณทัศนนิสาลายกดขึ้นในกระแสขันนี้ด้วยการนอบน้อมบูชาคุณพรท่านคือบูชาการตัดสรูปดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็การประพฤติปฏิบัติดีของพระดิยาสง์ทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็เอาไปนอบน้อมอย่างนี้บางคนก็ไม่มีอะไรที่จะกราบบูชาเขาก็ใช้ขันห้าของท่านเหล่านั้นแหะบูชาแล้วก็นอบน้อมนี่เป็นนี้ฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าตัวท่านนอบน้อมแค่ไหนก็แล้วแต่ ถ้ากุศลจิตตูบาทไม่เป็นไปในขนานั้นก็<ๆ>ไม่เรียกว่าการน้อมน้อมนะเช่นเราจะกราบไหว้ด้วยโลภะจิตอันนี้ไม่เรียกบูชาแล้วใช่ไหมเคยเคยไปอินเดียบ่อยๆหลายครั้งเคยขอรางวัลที่หนึ่งไหมไม่เค ย, ย <c oughs> แล้วขออะไรขอให้สร้างวัดเสร็จนี่เริ่มจะเป็นเริ่มต้นแล้วคือคือจริงๆการขอนี่ อ้ อ, อธิษฐานกับขอที่ต่างกันยังไงลองช่วยอธิบา ย, ยใช่ไหมอธิษฐานดูคล้ายขอขอเหมือนลายกานั น, นเลยเนนเอธิษฐานรื่องอะะอธิษฐานทจะตั้งใจว่าจะทอะไรอะไรอธิษฐานว่าเช่นสร่จะึแปหรือว่าจะทำอะไรสักอ ย, ย่าง ใ, <อ>ใส่าทวันเนี่ยวันนี้อธิษฐา น, นแล้วแล้มมแลว ม, ม, ม, ลมีการขอตอบไหมไม่มี ที่จริงอย่างพระพุทธเจ้าอาธิฐานว่าบอกว่าจะบอกว่าบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้าปราถนาไยปราถนาตั้งสัจจะอธิฐานว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนี่ชื่อว่าขอชื่อว่าขอไหมจริงๆคือขอในอธิษฐา น, นะแต่ขอแล้วพระองค์ทํำไหมขอขอผลซ้ำทำเหตุใช่ไหม แต่ชาวพุทธเนี่ยขอผลแต่ยอลอนอนรอเนี่ยไม่ใช่นะจะไม่นั่งคอยนอนคอยเนี่ยไม่ใช่คือพระองค์ขอแล้วทําคือตั้งอัจฉริยัยไว้บอกปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปรารถนาสัมมาสมัมโพธิญาณพอปรารถนาเนเสร็จก็คือขอนัไนและแต่พระองค์ก็ทำอะไรทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีได้สำเ ร, ร็จเขาเรียกอธิษฐานแล้วทําใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าถ้าไม่ได้ตัดสั้นุตตะลาสัมมาสมัมโพธิญาณแล้วจักไม่ลุก เนื้อเลือดใช่ไหมแล้วก็กระดูกจะแลกเป็นุ๋ยผมยก็จะไม่ลุกจักบลังแต่ว่าท่านอธิษฐานไปเสร็จแล้วท่านทำนะแล้วทาจริงด้วยนะถามว่าคนถ้ามไม่มั่นใจจะกล้ า, าอธิษฐานแบบนี้ไหมลองนี้ถ้าไม่ได้บรรลุจะไม่ลุกจากเต่ายนะ <c oughs> ิ่ง่ายเลยอาจารับ ก็ส้นนะคือแบบก็สั้นจริงแต่ว่ามันเป็นเอนความคราขงขพระที่ต้ออด้วยคือคือคือได้หลักการอธิษฐานในบา ร, รมีจริงๆแล้วในเป็นการอธิษฐานเพื่อออกจกวบสานเลยนะ <c oughs> แล้วก็ในคําสอนของพระพุทธเจ้านเนี่ยท่านจะบอกไว้หมดเลยจะไม่ว่าการอธิษฐานเนี่ยจริงๆก็คือต้องปราศานาการบรรลุพระนิพพานเลยทีเดีย อ, อันนั้นคือจุดจุดอย่างนี้ทีนี้ ถ้าถามว่าคนที่เคาะที่ฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ในวัดตานี่ยก็เรียกว่าอธิฐานได้ไหมโดยอ้อมก็ต้องจัดให้เขาให้เขาไปเนีเพราะเขาที่ฐานาจริงๆแต่ถามเป็นบา ร, รมีไหมผมก็ต้องบอกไม่ใช่ใช่ไหมต้องบอกไม่ใช่เพราะถ้าเป็นบา ร, รมีเนี่ยถ้าเป็นอธิษฐานถ้บา ร, รมีแปลว่าบา ร, รมีนั้นก็คือจะต้องปราศรานาการบรรลุเช่นเั่นถ้าถามว่าการปราศรานาเป็นพระเจา้าก็เป็นบา ร, รมีนะเป็นอธิฐานนับา ร, รมีนะี่ย บางคนก็ปรารถนาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระโมคคัลลานะต้องมีที่ฐานบารมีหมด น, นะกลุ่มไม่ใช่ว่าบารมีสิบประการนี่อย่างเราไม่ต้องทำอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอันนี้คิดผิดเลยนะฉะนั้นในบารมีทั้งหลายเนี่ยแปลว่าเขาทาแต่ว่าเขาที่ฐานแล้วเขาทาแต่ชาวพุทธเนี่ยอธิษฐานขอเนี่ยขอแล้วไม่ยอมทําอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วตรงนี้ก็ บางทีที่ต้นสีมหาโพลบางคนเราจะได้ยินคนขอกันดังๆเลยใช่ไหมอาจอรย์ฐานวเมื่ออาจมาเนี่ยได้ไปได้ไปอินเดียครั้งแรกนี่นะเนี่ยเพราะคนอธิฐานขออาจารมาก็อยู่ตอนนั้นมามาที่กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเขามาให้สัมภาษณ์นักเรียนที่เขาสอบเขาสอบเปภาพที่ทม พอมาก็กอ๋อช่วยสัมภาษณ์นยที่นัเรียนอาจจะมาก็ถามว่าชั้นไหนที่นักเรียนเก่งๆเขาดน่อยเ่ีสองป้รอยสามสิบสี่พี่สาสามนี่ประมาสามสิบสามเออสามสองกับสามสามอย่เขาก็บอกนี่ชั้นนี้แล้วกันพอจะมาก็อ๋อแต่ไหนก่อนปแล้วก็สัมภาษณ์นักเรียนเนี่ยเขาจะอะไรสัมภาษณ์ชั้นตอนนั้นจดาได้คือชั้นมัชชิมะชั็นมัชิมะเรียนกลุ่มบกปัจทัยท่านเ ก็เข้ามาก็เขาจะถ้าสมัยก่อนเวลาก็าสอบสัมภาษณ์กันนี่นะเขาก็เขาเขาสอบสัมภาษณ์นี่ก็คือว่าหนึ่งเขาให้คนถามนี่ก็คือก็ตั้งเวลาให้กับข้อ น, อนี่ไงสองนาทีใช่ไหมเข้ามาก็ถามถามเรื่องปัญาเรงปัจจัยก็ถามปู๊บไ ป, ป, ป, ป, ปนักเรียนก็ก็ทีแรกก็ถามกานม า, มาว่าท่านพระคุณเจ้ามาจากไห น, นถามกันมา มาเอ๊ะมันไม่มีเลยคำามเนีแต่เอละอแล้วก็คนเจ้าจะกลับยังไงเอ๊ะย้อนไม่ใช่แล้วมงนี้ยเขาบอกพัียอมดูมาไม่เพ่งมาหนิาั้ะศาสนาอาลโนมคิดตังแต่นั้นเละบอกวเอ๊ยยอมไม่แม่นแล้วเป็นไงกั อยากให้ท่านช่วยบอกบอกมันี่นี่ศึกษาพระธรรมนี้วมาอยากจยุ่งการแก้ยังงี้ม้ยยางคร้คามการใช้คำว่าสัจจปฏิฐานติดต่กันตรงนี้นะครับอยากจะขออธิบายท่านคราสัจจปฏิฐานนี่มีความแตกต่างกันอ๋อสัจจบารมีหนึ่งแล้วก็องค์ธรรมของสัจจปฏิฐานนะครับาสัจจนี่เป็น ความะสมาวาจาเลยอ๋อถ้าถ้าสัจจะสัจจะนี้เกี่ยวกับคําพูดที่พอพอพอกล่าวกล่าวคําไหนเนี่ยเนียกล่าวหรือเป่งวาจาออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นสัจจะเขาว่าสัจจะบารมีในที่นั้นเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับที่ฐานนะสัจจะคือรับคําสรเสร็จแล้วก็ก็ทำํำตามอันนี้เป็นสัจจะ คือความจริงนะคับตัวเองทั้งทั้งบุคคลอื่นทั้งตนเองแต่ถ้ า, ากว่าอธิษฐานเนี่ยคือความตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจมั่นว่าถ้าไม่ได้บรรลุผลนั้นนี่ ก, ก็ก็ไม่ยอมหยุดอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคือคือไม่หยุดเลยคือไม่หยุดไม่หยุดที่จะคือสรุปแล้วก็คือไม่ท่านไม่ท้อเลยเนะในกรณีที่จะเป็นพระพุทธเจ้า อะไรจะขวางหน้าขนาดไหนก็พร้อมที่จะลุยที่ท่านอุปมาถึงขนาดว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยทะเลเพลิงเนี่ยถ้าหากว่าปลาตนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ลุยข้ามทะเลเพลิงนี้ให้ได้ในกล่าวไหมโอเคนี่กอดีนี่ก็ อ, อธิษฐานเลยนั่ะอธิษฐานสัจจานั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อเมื่อรับคำหรือว่าพูดอะไรลงไปแล้วก็ปฏิบัติคำนัน เป็นวจีกรร ม, นรรมนในส่วนแต่ว่าจริงๆวจีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเหตุการณ์ที่จะมุ่งมั่นในการที่จะทําให้ได้ตามนั้นที่จะทําให้ได้ตามที่จริงอ๋อสม า, าทา น, า, ม า, านใช่ไหม<ต>คือถามกับสมาทานใกล้กันถ้าถามว่าใกล้กันไหมก็ต้องบอกว่ามีมีส่วนมีส่วนค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าหากว่ากรณีอย่างการสมาทานเนี่ย สมาทานอย่างที่เราเราสมาทานกั น, นทั่วทั่วไปเนี่ยบางทีนั่นมันมันมีที่สุดเขา็จะนะบางครั้งก็มีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีมีชีวิตเป็นที่สุดก็ได้ใช่ไหมมีลาบเป็นที่สุดก็ได้เยอะแยะไปหมดอย่างศีลที่เราสมาทานเนะี่ยบางทีเราตั้งใจสมาทานในการที่จะ ร, รับสารศีลแต่ไปสะดุดตรงลาบสังกาลาไปเจอลาบไปเจอโรคภัยไข้เจ็บก็มาออกไปไม่เป็นแล้วที่จริงที่จริงตรงนี้นะ ในหลักของบา ร, รมีทั้งหลายจริงมันน่ามาศึกษากันเป็นไ ป, นปนทีละข้อนะแล้วก็จับสภาว่าองค์ธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องยาวเรื่องละเอียดมันต้องยกตัวอย่างน้องช้างเยอะอ่ะหัวไก่ืออันเดี๋ยวดูองค์ธรรมของบูชาก่อนนะะได้แก่กุศลจิตุบาได้แก่กุศลจิตุบาแล้วสาวพยาจิตตุบาทถ้าถามว่า ประทัด ฐ, ฐานของกุศลจิตตุบาทเนี่นะที่เกี่ยวกับบูชานั้นมีอะไรเป็นประทัด ฐ, ฐานก็คือโยนิโสมนัสิการ์ฉะนั้นตัวโยนิโสมนัสิการให้สังเกตกับมโนทวาราวัชชานั่นแหละตัวมโนทวาราวัชนะที่เป็นโยนิโสมนัสิการที่เป็นปัจจัยแก่กุศ ล, ลจิตุบาทนั่นเองฉะนั้นชาวนะหรือวิถีที่เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นต่อจากมโนทวาราวัชนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรด้วยไหม ถ้าเกี่ยวกับการบูชาเนี่ยเขาถึงบอกว่าโยนิโสมนัสิกาเนี่ยแหละเป็นประทัดฐานของของกุศลจิตวุบาฉะนั้นกุศลจิตวิบาที่ปาราศการบูชาพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเหล่านี้ในการที่จะบูชาได้ดอกไม้ด้วยของหอมบูชาด้วยสิ่งของต่างๆเหล่าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ําเอ่ยเป็นผ้าเอ่ยเป็นสิ่งของต่างๆที่เขาบูชากันทั้งหลายให้สังเกต ด, ดูนะว่าบางทีเราศึกษาในคําสอนเนี่ย ไม่น่าเป็นไปได้บางทีที่บอกบูชาได้ดอกบววผมไปบูชายังไม่ถึงที่เลยถูกแม่วัวขวิดตายแล้วโอโหอา น, นิสงส์วิมานสูงไม่รู้กี่โยอดเนี่ยนะเราไม่น่าจะคิดไม่น่าจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าจิตที่คิดจะบูชาจิตที่คิดจะนอบน้อมเนี่ยถามว่าถ้าคนเขามีความเข้าใจในการที่คิดจะบูชาแล้วเนี่ยกระแสบุญที่เกิดเขาไข่คนค่อนข้างเยอะไอ้ตรงเนี้ย บางคนเนี่ยเวลาคิดจะบูชาพวกก็คิดแป๊บเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรอีกเลยเนะแต่บางคนเขาประมวลกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นจากการคิดจะบูชาค่อนข้างเยอะฉะนั้นปริมาณของกุศลที่คิดแล้วก็ไปกระทบถึงคุณของพระเจ้าพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปตรึกคิดถึงคุณของใครคุณของพระเจ้าเนี่ยปริมาณของกุศลจริงมากเมื่อปริมาณของกุศลมากเนี่ยเขาท่านก็บอกว่านับประมาณของเม็ดบุญเนี่ยนับไม่ได้คือมีประมาณยิ่งใหญ่มาก ก็ขนาดจักรพรรดิราชนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยของการบูชาเลยนะผลการบูชาเนี่ยก็คนที่เขาบูชาถูกต้องแล้วเขาน้อมน้อมจริงๆเนี่ยสามารถเป็นปะกตูปนิสยปัจัแกอรหัตธรรอะไรหัตผลได้ถามว่าพระพุทธเจ้านี่นะสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมาจากบูชาใช่ไหมมาจากการบูชาไนะปัจเจกับโพธิญาณอัคคลสาวกโพธิญาณเป็นต้นเหล่านี้นะจนถึงปกติสาวกเนี่ย การที่จะได้คุณธรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมการบรรลุเป็นพระเจ้านั้นก็จะต้องแทงตลอดไม่รู้กี่ล้านกี่โกรธในการบรรลุเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเหล่านี้ยการบรรลุก็ไม่รู้กี่แสนในในการที่จะแทงตลอดสัจจาของด้านเหล่านั้นก็แปลว่าอัธยาศัยที่เกิดขึ้นใหม่ๆหรือครั้งแรกนั้นมาจากอะไรมาจากบูชาฉะนั้นการบูชานั้นมันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไม่ยิ่งใหญ่เขาต้องบอกมีโยนิโมสมนัสการเป็นประทัต ฐ, ฐาน โยนิโสมนสิการก็มีสัตธรรมมสสวนะเป็นประทัดฐานสัตธรรมมสวนาก็มีอะไรมีสัตบุรุษเป็นประทัดฐานสัตบุรุษก็มีประเทศที่สมควรเป็นประทัดฐานประเทศที่สมควรก็มีปกเพกตะปุญญตานั่นแหละเป็นประทัดฐานนีเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นปกเพกตะผของปกเพกตะปุญญาตาก็คือปฏิรูประเทศวาสาผลของปฏิปฏิรูปเทศสวาสาก็คือการ สัตบุรุษไหมสัพพุริสูปนิสยาผลของสัพพุริสูปนิสยาก็คือสัตธรรมมัสสวานะผลของสัตธ ร, รมมัสสวาะก็คือโยนิโสมณสิการผลของโยนิโสมณสิการก็คือการบูช า, ผ ล, ชาผลของบูชาคืออะไรตัวนี้อ๋อผลของบูชาคืออะไรไหนเป็นบูชากันมาหลายรอบต้องรู้ผลเพื่อใช่ไหมไหนไม่รู้ยุ่งกันเนี่ยนี่กลับไปไล่ใหม่ไล่ยันบนยอดใหม่ใช่ไหมนี่เราได้แล้วใช่ไหม ผลของการบูชาก็คือปลาโมดเด็กเคยเกิดไหมจิตที่ปลาโมดเนี่ยปลาโมดก็เป็นปัจัยเกิดแล้วดีปีติเป็นยังไงปลาโมดกับปีติต่างกันตรงไหนปลาโมดเนี่ยเป็นปีติอ่อนๆใช่ไหมปีติเนี่ยปีติมีกี่อย่างปีติมีอะไรขุทักกาปีติใช่ไหมคณิกาปีติอุเพงคาปีติโอกันติกาปีติแล้วก็ภาลนาปีติใช่ไหม เออจะเล่าเรื่องปีติให้ฟังหน่อยเออตอนที่ในคติการล่าสุดที่จริงว่าจะมาสาธยายยาวไปก็สรุปมาดีกว่า <laughs> <laughs> สาธยายเยอะหมคิดเยอะไปอะไรมาเนี่ยคิดสูตนั้นสูนี้เลยงงเลยแต่เนี้ยมึงไปฟังโยกโพลสูตรไหนเนี่ยคิดคิดไปคิ ด, ค ด, คดมางงในคติการล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ม่ได้กายเนี่ยนะตอนที่ ทัานกล่าวถึงเรื่องคติกาลรลัพลาคติกาลัพติการลากับโชติบาละโชติบาละนี่เป็นอดีตพระพุทธเจ้านั่นเลยแต่เชื่อไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิชาตินั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จไงโกศลในขณะที่กําลังสเสด็จไปตามลำดับนี่นะพระองค์ก็ะรงแย้มพระโอษฐ์พยามพระโอษ์ปั้นนอนอยู่ด้านหลังก็เห็นทัศนโนภาพใช่ไหมทัศนโนภาพช่วยนะเห็นอะไรแสงอะไร <c oughs> เนี NYU, ่ยพระเขี <t Kristen frog> ่ยวแก้วพระธิดาเจ้าเวลาแย้มพรองพระเคียวแก้วไอแสงเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นกำบวนแล้วก็จะวนเป็นทักษิณารักพระนนอยู่ด้านหลังก็เห็นพอเห็นก็กลาวทูดพระพูดว่าเจ้าว่าพระองค์ทรงแย้มพระองค์เประเห็ุอะไรน้อยแรยพระเจ้ากนดูก่อนใน้นนท์บอกว่าที่ตรงเนี้ยพระกัสสปะสมมาสมพระเจ้าเคยเคยเคยทับนั่งที่ตรงนี้ พอพูดยิ้มพันเลยรีบรัตนาเลายหมือนปู่ลาสังขารปีสี่ชั้นครบราตนายพระพเจ้านั่งใช่ไหมคือจะได้เป็นเทียสจานพระพุทธเจ้าสองพระองค์งนั่งตหมายไปที่ฟานโกศลหาอย่างอยู่ตรงไหนเังหาไม่เจอะแต่สมมติออกในใจอยู่อยู่อินเดียบ่อยออเจอไหมไม่เจอเลยจะหาสูตรไม่เจอเลยใช่ไห ม, ไมหาสูตรไม่เจอเลยในมาชิมานีก่อทีนี้ ก็พระพุทธเจ้าเขานั่งพขานั่งไปเสร็จพระเจ้าดึงอดีตมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างเงี้นะเห็นอะไรก็พอเราเห็นเราปุ๊บเนี่ยพระเจ้าถ้เห็นเราปุ๊บเนี่ยชาติอดีตเรามาล่าดีหน้าอะไเลยยูพอเดีดบางชาติเรานีแม้เกิดตาต้อยมาบางชาติก็โหบางชาติก็ทําสิ่งที่ไม่น่าทําใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าจะเล่าทุกเรื่องน่ากลัวเวลาอยู่แต่พระเจ้าเนี่ยเปนแม้คนเล่นรู้ว่าเดีตเราทุกเรื่องเลยอ่ะเราจะไปเต็ม ถ้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพเจ้าบาทีนั่งเคว้งๆพระเจ้าบอกเนี่ยอยู่ทำท่าเคว้งกับกิเลสกันใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้เลยนะเขาบอกพราะพระเจ้าเนี่ยเข้าเข้าเข้ายากเข้าพบยากใครก็เกรงไงใช่ไหมใครเลยจะรู้ว่าอาจะยาสายของพระเจ้าลองคิดดูนะขนาดว่าเท้าสักกามาเฝ้าพรธเจ้าแล้วพระเจ้าก็สนทนากับเท้าสก่าเออพโมคะลานะอยู่ห้องติดกันเนี่ยไม่ได้ยิน พระเจ้านี่กําหนดพระสุรเสียงของพระองค์ได้สมมตินะ น, นั่งอยู่ตรงนี้นะเอ้าสมมติเรามีสิบห้าคนเี่ยพระเจ้าต้องการให้ยืนแค่สิบสี่คนที่คนที่สิบห้านั่งข้างหน้าไม่ได้ยืนนี่นี่คือพระพุทธเจ้านะน่าแปลนใจขนาดนั้นนะกําหนดได้เลยเนะี่ว่าเออเนี่ยถ้าจะไม่โปรดใครขึ้นมาก็ไม่ได้ยืนก็นั่งเฉยก็แครนีขนาดว่าใครขนาดว่าพ่อสา ม, มีพ่อสา ม, มีข้างนางวิสาขา์ใช่ไหม บอกว่าพวกไอ้เดรถีเอาม่านมากั้นกันกั้นใหญ่แล้วโดนเขาพระเจ้าจะมาพระเจ้าบอกว่าอยู่คนละป่าเขายัางได้ยินอยู่คนละจักรวาลยังได้ยินเลยถ้าพุทธเจ้าจะโกรธบอกกั้นไม่อยู่หรอกนี่งไงพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากคนมีศรัทธาจริงนะบอกว่าขนาดนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ห่างต้งไม่รู้กี่ร้อยยอดเนี่ยโยนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วระธนานิมนต์มาได้ด้วยไม่น่าชื่นใจใช่ไหม แม้สมัยที่หลังจากพุทธบริพญาแล้วเนี่ยระดับภาษาวกระดับมีอิทธิฤทธิ์นี่นี่ก็ขนาดว่าพระมหากษัตริย์ที่ไปตุกทุกเด้ ย, ยากะแค่อาหารนี่มนพาาาระอรหันต์ใช่ไหมตั้งอย่างมีพาาาระอรหันต์มาขอนมนให้พาาหาระอรหันต์มารับอาหารวินอบาตรโดยเถอะตะโกนอย่างเนี้สามครั้งอะได้เวลาพระอาหารแล้วข้าเจ้าข้าตะโกนสามครั้งนะพาาาระอรหันต์ออกจากนิโรธาสมาบาัดเพาะมารับบาตรด้วย เราลองออกไปตกกนะตกตนหน่อยลองบุญพุกการหน่อยลองบอกคำว่ า, าเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคนของพระพุทธเจ้ า, เาอยากพบสุตตีนะมีพระเถระรูปหนึนะ่งท่านท่านไปที่เจดีชเวดากองศึกษาพระธรรมมาอย่างไต่ฉานเลยวะเนยะแต่ท่านยังไม่เคยเห็นปฏิหารอะไรเลยพวกนะั้นท่านวางเงินหนะึงท่านบอกว่านี่จะทำอย่างง่ายกว่านั้นะเอาละ ท่านตั้งไว้ทีว่าที่บูชาที่บูชาแล้วก็ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งบวกอธิษฐานบอกชีวิตที่ที่ศึกษาพระธรรมมาเพื่อบูชาคุณของพระเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติมาเพื่อจะบูชาคุณพระเจ้าขอเห็นสักครั้งนั่งกรรมฐานเนี่ยแล้วขอขอเห็นสักครั้งเขาบอกว่าคือถ้าเห็นแล้วจะจะถวายชีวิตเลย ยังขอเห็นตะครั้งควันขึ้นเลยเออเพระเาะควานจางหายไปเนี่ยพบรปรรมภาษาลีก็ท่ามีเม็ดปงอยู่ข้างในเลยท่านทําได้ไหมดึงเม็ดกรอนมาตัดนิ้วบูชาเลยตัดนิ้วบูชาบูชาแล้วท่านปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าไงขอเป็นเลยนิ้วนี่ไงโอ้ตัดนิ้วบูชาเลย ายถ้าเชิญนอย่างนี้ถ้าเตีกล้าเลก็ตัดนิ้วบูชาเลยว่าโอ้ตองเ่านงพูเราชื่นใจจริงนี่ต้งบุญเกิดดีนะคนขนาดราชการที่สี่อ่ะใช่ไหมราชการพที่สี่อะไปตั้งที่บูชาไว้ที่ทเฉพาะเขาปฐมเจดีย์เอาผ้ามาตั้งสวนต้องเป็นเจร้ยอยๆองค์วันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วไม่มีนะสามวันก็แล้ว่านโอ้บุญเราคงน้อยถะาว่านะ ก็มาก็ดีมาวัดมหาธาตุมาเบียเศท่านก็ได้ที่อื่นมาด้วยท่านเจ็ดทา ง, งทานสร้างเยอะดีเบียเศก็เอาไว้ในวัดมหาธาตุตอนสมัยก่อนนู้ น, นยุคนู้นนะภาคกัน 200, 300อสองร้อยสามร้อยสวดมนต์กันในพระภูสวดอสวดเป็นไปอสวดมนต์ทา่านก็ใส่กุญแจเข้าไว้ที่ว่าในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในที่ใส่ยพระธาตาุมีสักประมาณสักเจ็ดแปดวันเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็ควันขึ้นเต็มหมดวัดมหาธาตุหรือว่าเัน ไฟลุกขึ้นทั้งหมดพระองเดินหนีด้กยว่าที่ปลดไฟไหม่หรือเปล่าพอจางจางหายไปกลับมาดูไม่ใช่แล้วพระธาตุเสด็จใหม่ก็เลยแจ้งท่าวท่านบอกโอ้ยบุญท่านยังมีอยู่นี่ราชการที่สุดเขาเป็นเรื่องแปลกอย่าง้แต่ที่นี้ก็จร oh, ิงๆถ้าถ้าถ้าถ้าประจับอย่างนี้นะก็น่าตกใจนะประจับอย่างนี้ก็น่าตกใจ ใครบุญเยะๆลองที่ถามฉะนั้นปุเพกตะบุญยตานี่แหละนะผลของปุเพกตะบุญญตาก็คือปฏิรูประเทศวาสะผลของปฏิรูประเทศวาสาก็คือสัพปริสูปนิสยาผลของสัพปริสูปนิสยาก็คือสัทธธรรมมาสวนะผลของสัทธรรมมาสวนาก็คือโยนิโสมนัสิการผลของโยนิโสมนัสิการก็คือการบูชาทีนี้ ผลของการบูชาก็คือปราโมทใช่ไหมปราโมทเขาเรียกเป็นปีติอ่อนแล้วก็ผลของปราโมทก็เป็นปีติปีติเนี่ยที่บอกจะเล่าเนี่ยคือคติกาล่าเนี่ยคติกาล่ากับโชติบาล่าเนี่ยท่านเป็นเพื่อนกันแต่คติกาล่านี้ท่านเป็นผ้านาคาเป็นอุบาสกที่คุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากคุ้นเคยขนาดไหนไม่ใช่คุ้นเคยธรรมดานะ ทีนี้มีอยู่ต่อมาวันหนึ่งก็คือท่านก็เป็นเพื่อนกันอย่างเนี้ยแล้วอยู่ต่อมาท่านก็ต้องการจะชวนเนี่ยโชติ ป, ปาระซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยไปเป้าพระบรมศรสาสดาต้องการที่จะชวนเนี้ยทีนี้โชติปาระเขาหมีไปบอกว่าประโยชน์อะไรที่จะไปหาสมณะลุะก็ไม่ศรัทธาแต่นี้มีอยู่วันหนึ่งก็บอกไงไ ม, ไม่ไม่ชวนไม่ไหวเพราะพุทธเจ้าเราจะชวนไปอาบน้ำเขาชวนไปอาบน้ําก็ฝอ พเราเนเป็นอย่างนี้แต่ชวนไปวัดไม่ไปเราแก้งชวนไปห้างดูไปเลยใช่ไหม <laughs> ให้ไปใกล้ๆที่มีวัดอยู่ใกล้ๆแล้วก็แวะเข้าวัดเวลาชวนเพื่อนวิธีใช้ใช้วิธีของคติการละก็ไปอาบนะพอไปอาบน้ำเส็เสร็จก็ไ ป, ก ไ, ปไปชวนหม่แค่ก็ไม่ยอไปชวนยังไงก็ไปนี่สือจริงๆก็จับมวยผมดึงดึงแรง โชติการละก็แตกใจให้เพื่อนไม่เคยทําเราเองทุกทีใช่ไหมทั้งที่เพื่อนอยู่ในตระกูลที่ต่ํากว่าคือกติการะนี่เลี้ยงพ่อแม่ได้ตาบอดกติการะนี่ปกติเนี่ยจริงๆถ้าออว่าไม่มีพ่อแม่ตาบอดดูแลท่านก็บวชแล้วคนระดับเป็นพรานาคารเนี่ยละอะไรได้บ้างถามว่าสักยญาติถิวิจิกิขาสีรก็ตาปรามาดหมดแล้วไหมกรรมอะระฆังหมดหรือยังหมดแล้วปฏิฆาหมดหรือ ย, ยังเรียบร้อยเลยไหม ทั้งโทสะก็หมดโลภะก็หมดคือว่าเชื้อที่จะเกิดในกามาภูมิเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเหลือแล้วฉะนั้นคนที่เป็นป้านาคาเนี่ยถ้าตายแล้วก็นวลแหละสุท้าวา่ไม่สุดท้าวว่าสัพพะโทมชานภูมิเป็นต้นนวลแหละเขาจะไม่เกิดในกาลมาภูมิไม่ต้องพูดถึงกาลมาภูมิสิบเอ็ดนะมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเชื้อในการที่จะลงมาถือปฏิสุธิ์ที่สิบเอ็ดภูมิเลยอบายภูมิไม่ต้องพูดถึงท่านปิดตั้งแต่เป็นพระโส ด, ดาบันแล้ว นี่เป็นท่านาคาเนแต่ไไปไยประมาณในที่สุดจริงๆก็ลาบไปเป่าที่สุดนด้ในส่วนจริงก็นั่นแหละต่อมาโชติปาระก็บวชเป็นต้นแล้วก็ทีนี้พูดถึงกติการะเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าไปจำมัรฑ์าในอุทยานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปจำมัรฑ์าไม่ได้หรอกเพราะว่าโชติปาะเออคติการะนิมนต์ไว้ พระเจาเป็นดินเขเอ้ไข่คติกาละไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะเขาบอกเอหม่อมชันเนี่ยเป็นถึงพระเจ้าเผ่นดินเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าไม่รับนิมนต์ใช่ไหมนี่ทําไมไปรับนิมนต์คติการละพระองค์ก็เล่าความขุ้นเคือให้ฟังเลยก็เลยเล่าความขุ่นเคยให้ฟังว่ า, ว า, ม, า ม, มีอยู่ครั้งห น, นึ่งนะพระบระมา ศ, าศาสดาไปดินธบารตอนนั้นกติกาละไม่อยู่เข้าปากพระพุทธคือเขาเป็นนายช่างหม้อเนี่ย เขาเข้าป่าเขาก็หาปืนได้หาปืนนีแห้งๆน้วยนะเป็นช่างหม้อเนี่ยพบผ้านาคามีท่านไม่ท่านไม่ยินดีเงินและทองนะคนเป็นผ้านาคาเงินทองท่านไม่เก็บแต่ท่านทําการค้าได้ผมคิดเดือเลี้ยงพ่อแม่ได้คือท่านก็ไปหาดินแล้วขุดดินก็ไม่ได้นะผ้านาคาเนี่ยใช่ไหมผ้านาคาท่านก็จะหาดินที่มันพังตามตะลิ่งตามอะไรต่างๆเนี่ยดินที่หมูขุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอามาปั้นปั้นเป็นเป็นหม้อแล้วก็ไปวางก็ไว้เล้วเขียนก็ไว้ ถ้าปาฏณาจักรถัวเขียวบ้างข้าวบ้างอะไรบ้างหีืสเสื้อผ้าท่านก็จะปาฏณาจักรใครมีก็มาแลกไปแล้วท่านไม่ท่านทําการค้าแบบไม่เฝ้าร้านทำไปเสร็จแล้วท่านก็ไปแล้วท่านวางจะมีแต่ตัวเอาสือเขียนทิ้งเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ใครเจอไหมส <c oughs> งสัยวางไว้กลับมาเหลื อ, อแต่ร้านตัวผลร้านก็จะไม่เหลือนี่ใช่ไหมในทางคติการร้านนี่ก็ทําแบบนี้ท่านทําแบบนี้เนะีย ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ไปบินธบาตวันนั้นไม่อยู่ใช่ไหมพราะไม่อยู่พระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าคติกาละเนี่ยไม่อยู่แล้วพ ร, พระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าก็เด็ก็เลยเสด็จเข้าไปแล้วก็ตักตักอาหารในหม้อเนียตักอาหารที่กติกาละเขาเตรียมไว้เนี่ยตักอาหารตักอาหารกลับะเร่งแต่ใสเสร็จเสร็จก็กลับมาแล้วก็พูราตอาสนะแรงแต่ประชันแล้วก็กลับไปกลับมาคติกาละก็มาถามบอกว่าเออ ค่าอาหารในหม้อนี่หายไปไหนเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเข้ามาตากักเอาไปหมดแล้วโอ้ผม พ, พูดแค่นั้นคติการลาพิธีเกิดพิธีเกิดเจ็ดวันไปตีเนาะบริหารได้ไงอ๋อทำพิธีเกิดได้อยู่เจ็ดวันเนี่ยพ่อและแม่สามวันเนี่ยพิธีเกิดทีนี้ครั้งที่สองก็เป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ยครั้งที่สองก็เป็นไปในลักษณะนี้ ถ้าเธอกลับมาเอาอาหารทั้งกับด้วยทั้งแกงด้วยต่างๆงนนเนี้นะแล้วกติกาละกลับมาก็มาถามพ่อและแม่อีกพ่อแม่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามาตักเอาไปเอคนไม่ได้ถาวายด้วยนะตักตรงนี้อาจจะกระถาครท่านพูดแก้ไว้ท่านอวดแก่กันว่าอวที่แรกอนามาศึกษาอิสระทุกเจ้าไม่มีใครประเคและเป็นนบัตหรือเปล่า <laughs> ดูไปคิดตลาดตัวพุทธเจ้ามานนึกไปพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมเลยนงกไปใช่ไหมเป็นธรรมะสามี พระเจ้าเั็นใหญ่ที่เหมือนกับพระราชาเนี่ยเป็นเจ้าของสวนเนี่ยใช่ไหมห้ามคนอื่นบริโภคเนี่ยห้ามตัวเองด้วยป่ะห้ามไมหมครับไม่ได้ทีนี้ครั้งที่สามนี่นี่ก็ปีตีเกิดอิ้งนเมนียนะแต่บางแห่งบางกัมพีเนี่ยบอกปีตีเกิดสิบห้าพ่อแม่เกิดเจ็ดทำปีดีเกิดครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะกุ ด, ดีของผู้เรียเจ้าเกิดลมพัด ล้งางคาเนี่ยไปหมดเลยนะต่อมาพระพุทธเจ้าก็ให้สาวกของพระพุทธองค์เน่ยไปขอแปลย า, าที่บ้านของขติกาละไปถึงยาไม่มีก็มีแต่นั้นแหละล้างคาบ้านของขติกาละไปถึงหมดเลยลือมาหมดเลยคิดดูนะท่าก็ลื้อเอาล้งคาบ้านของขติกาละไปหมดเลยแล้วก็มามุงให้กับพระพุทธเจ้าสวัสดีพระเจ้าไปเสร็จคติกาล ะ, าล ะ, าล ะ, าละมามาถึงเป้าก็มาถาม ถามว่าเอานอนงคาบ้านหายไปไม่หมดบอกพระเจ้าไอ้สาวบกมาเลือไปหมดแล้วโอ้โหปีติกิดเดือนกาบอกพระเจ้าคุ้นเคยกับเราจริงจีแม่พ่อแม่ก็พลอยเกิดปีติกันยอมได้ถ้าไปที่บ้านสวนบอกนัคาหายหมดไปอยู่วัดตอตามตึงวัดเลยก็ไม <laughs> ่เช่ โทสะเกียเจ็ดวันพิาโทได้ไหมสาโททำวยกควรท่านทำทุกนแรงขนาดนี้อยาจะขอนีๆว่ยงเลยตาจารยท่านนาสมัยข้อแม้อาสาสมากันีตรงนี้ก็ตรงนี้มีไปนั่งศึกษากันเข้าลบก บอกเอ๊บอกอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเบางคนบอกเห็นกักกนกนได้อยู่มีพระเจ้าประทับใช่ไหมหลายคนไปดั้งอาจารย์นาก็เลยบอกอย่าไปทางขาเลยเพราะว่าสมมุตินะอ่ะสมมติว่าโลคใบนี้หมดไปแล้วโลกใบใหม่ขึ้นมาสมมุติพรจ้าประทับถามว่า พระเจ้าจะสามารถรู้ได้ไหมว่าจุดเดียวกันที่พระเจ้าประทับรู้ได้ไหมไเห็นไหมในคือพุทธยาณทําไมจะรู้ไม่ได้ใช่ไหมคือวัดวัดโดยรอบแล้วการะยะเบียเสร็จแล้วเนี่ยนี่จุดตรงไหนของโลกใบนี้ที่พระพุทธเจ้าองกตปรับทําไมจะไม่ได้ใช่ไหมจริงๆก็คือได้แั้วแหละอย่างเรากําหนดวัดไม่ได้ว่าจุดตรงไหนต่อจุดตรงไหนก็เหมือนกับที่ว่าบาดลงมาถาม สมเด็จพุทธเจ้าโตถามว่าเฮ้ยบอกว่าจุดกลางของโลกอยู่ตรงไหนท่านก็เดินลงมาจากกุฏิแล้วก็ไม้แล้วพ็ปักปึกกรไงนี่ตรงนี้เลยนี่เส้นเลนเลยนี่ก็เอ้าโลกมันโกหกว่าปักตรงไหนก็ตรงกลางตรงนั้นอะไรก็จบเลยแนะเนี่ยแล้วแล้วพูดถึงในเรื่องนี้นะอันนี้ยุบสาํารองศึกษาประวัติศาสตร์ทในยุคสมัยยุยา ตอนนั้นบาทหลวงก็มาถามใช่ไหมถามพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นผ่านอะไรถามบอกถามเกี่ยวเรื่องภูเขาสิเนเอลุเขาศึกษาก็าให้โยมก็ศึกษาบอกอ้าอยู่ตรงไหนหมกเดี๋ยวเดี๋ขอไปชมสองอ่ะก็เอาพราทรงพระตไตรปิฎกในสมัยยุยาในยุคนั้ น, นมาถามสอบถามไม่ีเป้าไหนตอบเพราะเราไปาากกเรียนกรดที่หมาเจ้ากูเลี้ยงเฟืองก็จบแค่ ก็ตอบตอบบาดหลวงก็ไม่ได้ว่าเาะยังเราตอบได้ตอบได้ไหมเขาถามว่าพวกเขาศี น, นรูนี้ตั้งอยู่ตรงไห น, นคือจริงๆตรงนี้ถ้าเราพูดเปน ใ, นในในประสาะวบอกว่าถ้าเราจะมองถึงในเรื่องของพบของเทวดาพบของนาคกด็ดีพบของพวกอบัยศัตร์เป็นต้นกด็ดีใช่ถ้าเราดูเนี่ย ดูจากคำสอนเราเทียบง่ายๆทำไมาเนี่ยเทียบง่ายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าลูกกระเทวดาทั้งหลายลูกกระเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขอยู่กับต้นไม้ทีนี้พออยู่กับต้นไม้เนี่ยแต่วิมารเขาไม่ใช่เล็กเท่าต้นไม้นะวิมารยังขนาดใหญ่แต่อาศัยต้นไม้เต็มไปแปลว่าอลไรแปลว่าพบมันซ่อนพบใช่ไหมก็เขาเป็นอภิสมารกายของเรากายยาวเขาเดินสวนบันไม้สวนกันมาเราก็ไม่เห็นได้ไม่เรื่องปกติ เวลาจะพูดถึงเกี่ยวในเรื่องของภูเขาสิเนรู้เพรในรักษณะเดียวกันใช่ไหมถ้าเราปักลงกลางทะเลเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพเพราะเรือวัดแล่นผ่านไปผานมาก็ไปโดนภูเขาสิเนรู้ก็ได้ใช่ไหมก็มเหมือนกันกรณีอย่างต้นไม้เนี่ยอต้นไม้เนี่ยเอามีรูปเทวดาอยู่เี้ยถ้าในาชั้นเขาอาจจะกระามบอกต้นไม้ใดมีแก่นขนาดเท่ากับเหล็กจานเนี่ยต้นไม้นั้นมีเทวดาอยู่แล้วยุ่ง ม, ม, มั้ยยังมีบัญญัติสิกขาบทห้ามพระตัดต้นไม้ ฉะน yeah. <no yeah, so ั้นผลของการบุญอันปีติอย่างเนี้ยในชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาไม่เคยปีติเกิดยาวๆได้เลยใช่ไหมมีได้ไหมเลิกถ้าปีติเกิดถึงสิบห้าวันไหมไม่ไม่ที่คุณครลท่านบรรยายาเรื่องเกียวกัลูกสาวของคาจคระ ของพระอนาับิธาตุท่านท่านอนาับิหาเสร็จยานยนต์ยนต์ดอกไม้ที่ล <parachute. S 2> ูกสาวโยนนี่มวลธาพุระเจ้าฮะแล้วก็รช่วงนี้ติิมากละตลอดเลยฮะเจ้าที่บรรยายน่กช่วงช่วงตลอดบรรยายนะยิมฮวงซางอาชาเป็ีพระโสดอเลยนะที่สมัยคนมีญาติทำ ก็ต well, ัด oh, สินใจรองให้าองให้บางบางท่านเวลาปีติเกิดเขาได้บนรลุกันเยอะเลยนี่ล yeah> ืมต่อไปเลยนะมาได้กลับกลับไปทบปีติใหม่นะแล้วก็ไปไขควรพิจารณาปีติเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยอย่าลืมกาหนดลงตรงนั้นนะใช่ไ เพราะว่าคนเกิดปิติเนี่ยเขาได้บรรู้กันเยอะแยะเลยเนี่ยใช่ไหมใช่แหมตรงนั้นเขากลัวนะเทินไปมที่เชียงใหม่ครับเอ่จะเป็นลูกศิษ์อาจารย์ก็มาเรียนจื้อด้วยกันแกเกิดปิติง่ายมากเลยะถ้าพูดถึงพุทธคุณจะเกิดคนคนทันยู่มากง่ายมากเลยะเวลาเสวสพุทธคุณอแล้วอีกวันหนึ่ ง, ๆๆ ง, ๆๆนนงเ เออก็มีการบรรจุประธาตุที่วัดประธาตุสุแก้วนจันหวัดเชงรายนะตอนนี้ก็พระเจะาผูนักนก็ให้แกชื่อบุญชูแล้วบุญชูเนี่ยนะคุคนส่งส่งพระธาตุไปบรรจุใช่ เ, เออแกบอกว่าแกเกิดปิติตั้งง้นนั่นนะ เกิดถึงสนามบินเลยก็พอทั้งยังไงก็ไม่ตสู้สาดูสาวรุ่นน้ำลงรุ่นตาไหลไปตลอดทางเลยยาวนานมากนะแต่ก็ต้องไม่จะเป็นวันนั้นนะแต่ก็มันเข้าโอ้ผมก็ผมอิจฉาเลยนะผมอิจฉามากเลยนะเป็นเรื่องจริงจิงนะแล้วก็เกิดเป็นประจําด้วยคคนที่คนที่เติบพุทธคุณค่อนข้างดีเนเป็นเรื่องปกติ ใครก็แล้วแต่ถ้าหากตืกพ่พุทธคุณได้ยาวๆเนี่ยนะถ้าสามารถตื่หรือไข้ควรได้เป็นชั่วโมงเนะึ่ยไม่มีที่จะไม่เกิดปีติเริ่มตั้งแต่ประมาณถึงประมาณห้าหกนาทีสิบนาทีเลยเริ่มนะสภ้อาของปีติจะเกิดแล้วเกิดแล้วนานนี่กเกิดอยู่นั่นแหละนะนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพุทธคุณต้องค่อนข้างดีการไข้ควรกันไข้ควรพุทธคุณทีนี้การคิด พุทธคุณหรือการพุทธคุณมาพิจารณ า, ขาใข่ควรในบางคนพิจารณาได้ได้ไม่ก็จริงคือคือจะสะดุปจากข้อมูลข้อมูลในคําสอนการศึกษาพระธรรมคำสอนก็ค่อนข้างน้อยเนี่ยหรือว่าบางครั้งในขณะที่ตรึกไปได้วยสติสัมปชัญญะไม่ไม่ค่อยแก่กล้าเท่าไหร่การไข้ควรก็จะมีอะไรมาขั้นด้วยตรงนั้นก็จะไม่ ค, ค่อยเกิดนี่ลองลองสาธยายลองไข่ควรพิจารณาไปเรื่อยๆเฮ้ยจิงจริงก็ ไม่มีหรือเกิดทุกไลน์นี่เป็นเรื่องปกติจริงๆปิติถ้าในในเรื่องที่ที่เคยเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจะมานี่ก็ก็ไมเมากแต่ถ้าถามทำให้ถ้าเจ็บไข่ครวญเกิดทันทีไหมก็เกิดแต่ว่าก็ก็ไม่เยอะที่ไม่เยอะเนี่ยเพราะพยายามไม่ให้เยอะพยายามไม่ให้เยอะพราเยอะ ไ, ไ, ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นรู้ รู้บอกเปนจริงๆถ้าใรวนเนี่นยใครควนมากๆมันก็เปเรืร่องปกติเปนเรืร่องปกติลักษณะของปีติก็เหมือนที่บอกว่าในสมัยในสมัยแม้สมัยลังกาใช่ไหมที่ว่าพ่อแม่บอกว่าเ อ, อให้อยู่บ้านเขาจะไปงานไหว้พระเจดีกันเห็นไหมในประวัติในที่สุดจริงๆตอนนี้ก็อย่างงั้นไม่ใช่ปีติธรรมดาเลยลอยเลยใช่ไหมลอยเลยลอยลอยไปลงที่หลานปีติด แต่ว่ามีพระเถระเล่าอาจะมาก็แปลกใจเอใจนี่เดี๋ยวท่านเป็นพระเถระท่านน่าจะไม่โกงเพราะท่านท่านเล่าให้ฟังนั้นบอกว่าคำนเน้นที่วัดใหญ่ชา ย, ยมงคลในยุค น, น, นั้นการเจริญกรรมฐานท่านเป็นปกติสิกาวก็ทำอย่างนี้ําเน้นแบนี้ตอนตีสี่เนี่ยก็มาเดินเดินเดินยองกลมเบ็ดเสร็จนั่งกรรมฐานอะไรเนี้ยเขาบคิดในความรู้สึกของเน้นคิดถึงบ้านอย่างรุนแรงเลยลืมตายที่เอาไม่อยู่ที่โรงครัวที่บ้านเลย พี่สาวลุกขึ้นทากับเข้าเอ้าเนี้มาได้ไงผไม่รู้อั น, นี้ก็แปลกเลยพอเอาลองลองดูไหน่ที่ว่าลองให้คิดถึงวันเหม่อยคิดยังไงก็มาไม่ได้คิดนี้ไปีติยังไงก็ไม่ได้มาเองว่า ก, ก็แปลกไปฟังดูก็แปลกเลยฉะนั้นปีติเนี่ยแรงไม่แรงแต่ว่าปะสะัสสถีก็เริ่มสงบแล้วแล้วปะสะัสสถีก็เป็นปัจจัยเกิดสุข สุขเป็นปัจจัยเกิดสมาธิลองดูนี่ว่ามาจากสายบูชาแท้ๆใช่ไหมแต่บูชามีประทัดฐานนะี้ไม่ใช่มีนี้บูชามีกุศลจดุบาทนะเป็นประทัดฐานกุศลจดุบาทก็มีโยนิสโสมนัสการโยนิสโสมนัิการก็มีการฟังพระสัทธรรมการฟังพระสัทธรรมก็มีสัพุริสุขปริสยะ ก, ก็คือมีสัต บ, บุรุษสัต บ, บุรุษก็คืออยู่ในถิ่นที่สมควรการอยู่ในถิ่นที่สมควรก็มาจากาบุกเอยกจักรินญาธร เห็นไหมตามลาดับเลยตั้งแต่ผูเพกระตับปุญญาตาเกิดในถิ่นที่สมควรได้พบพุทธเจ้าสาวของพุทธเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมฟังพระสัจธรรมเกิดโยนิสโสมนัิการโยนิสโสมนัิการก็เป็นปัจจัยเกิดกุศลจิตดุบุบาทตัวกุศลจิตดุบุบาทนะั้นอ่ะเป็นนามธรรมใช่ไหมคือรูปคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารตัววิญญาณขันธ์ในวิญญาณขันธ์ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ในหมากุศลจิตดุบุบานะ มหาบุญนจิตรบาทนั้นน่ะก็ทำกิจการในการที่จักน้อมจักบูชาเห็นไหมทํากิจการมีการทํากายบูชาด้วยบูด้วยกิจการบูชาด้วยวาจาการเปล่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระเจ้าเป็นต้นแล้วก็มีวัตถุที่ควรจักบูชานะั้นอาจจะเป็นผ้าที่จับบูชาผ้าไตรจยียวรก็ดีเป็นดอกไม้เป็นทู่กขียนเป็นของหอมเป็นเครื่องหอมอะไรต่างๆหรือว่าเป็นประทีพร้อมไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เหอะ ที่เราจะกนอบบูชาคุณของพุทธเจ้าสาวกของพระุทธเจ้าถามว่าในขณะที่เราไปณสถานที่ต่างๆสถานที่ตัดสรู้ของพุทธเจ้าสถานที่ประสูตดสถานที่ทำเทศทํามาจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันเทวนิพญาณหรือมูลคันทกุทธดีก็ดีสถานที่ที่พระเจ้าจำพรรษาที่สาวัถีเป็นต้นเหล่เนี้ยในขณะที่เราไปณสถานที่ตรงนั้นที่เหล่านั้นพุทธเจ้าเคยบริโภคเราใช้สอยใช่ไหม พองค์เคยใช้สอยเนี่ยเราไปสักการละไปบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมต่างๆเหล่านี้ยฉะนั้นบูชาเหล่าเนี้มีปรทัดฐานในะคือกุศลจิตตบารั่นแหละทีนี้ในกุศลจิตตบารเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อเกิดจากการนอบน้อมบูชาแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกิดปลาหมูดั้นถ้าหากว่ากุศลไม่เดินมาทางสายนี้แปบลบว่ากุศลผิดพลาดนะกุศลนันผิดแล้ว นั้นกุศลก็จะต้องมาจากปราโมดใช่ไหมเมื่อกุศลมีปริมาณกุศลที่เกิดมากขึ้นมากขึ้นปริมาณกุศลที่เกิดยาวขึ้นใช่ไหมเหตุที่เขาเกิดได้ยาวขึ้นเพราะเขาระลึกได้ยาวขึ้นระลึกได้ไกลขึ้นเช่นในว่าบางทีเราระลึกว่าที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับจำบรรสานะที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จบินทบาทที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมสัตว์ทั้งหลายที่เคยบรรลุที่เมืองสาวถีเนี่ยตอนนู้ประชากรเขากล่าวไว้ในคําสอนตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหม พ้าหมเจ็ดโกดใช่ไหมเจ็ดโกดเป็นทั้งจำนวนเท่าไหร่เจ็ดิบล้านใช่ไหมบรรลุเท่าไหร่รู้ไหมบรรลุห้าโกดบรรลุห้าสิบล้านประชากรของประเทศไทยเนี่ยหกสิบล้านใช่ไหมถ้าพระเจ้ายังอยู่ก็เก็บไปห้าสิบล้านเหลืออีกสิบล้านเอง สมมติถ้าเราเกิดอยู่ในกรุงเราเราก็เกิดอยู่ในสาวัตถีในยุคนั้นเราเป็นปรชากรส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ดิหลุดแล้วสงสัยเหลือนี่แหละเหลือสองล้านนั่นแหละเอเหลือสองโกดัานแล้วยังไงโอ้โหเขาไปกันตั้งห้าโกดไปอยู่ที่ไหนหน้าเชื่อมั้ยแปลกจริงจริอยู่ที่ไหนอันนี้ขนาดที่สาวัตถีนะที่อื่นยังไม่นับ ครั้งแรกเนี่ยฟ้าก็ไปสิบแปดโกดเนพรมนั้นสิบแปดโกดเทวดายังไม่นับเนะบวกกับโกนทันย้ายอีกหนึ่งแต่ในนั้นไม่มีพวกเราเลยโอ้เป็นเรื่องง่ายคิดมากก็ขนาดสาตาคิริยัก์นะนะกับเพื่อนเนี่ยเหมวะว่วาจะยักษ์กับสาตาคิรยิยเนยขนาดเป็นยักษ์แท้ๆยังไม่ยินเนี่ย อได้ยินทํามาจักให้เป็นไปเนี่ยนั่นพระธรรมาจักให้เป็นไปแล้วที่มนุษย์เทวดามางพรมใครจะปฏิวัติไม่ได้ก็ลือกันนี่กระชอนในบทใช่ไหมแผ่นดินก็สะเทือนเสะท้านไม่ได้ยินกันบ้างนแปลกใช่ไหมลูกขนาดยักษ์ยังได้ยินไคอยก็หวั่นไหวเหาะมานี่เขาหวั่นไหวเลยยักษ์นี่นจริงยักษ์มาฟังทำก็ได้เป็นรู้เป็นพระโสดาบันสูจีลมยายักษ์ก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะ่ โอสูจีลมาย่างเียงท่านทรมานมากนะเพราะขนของท่านเป็นหนามไอเป็นเป็นเข็มอ่ะทิ่มแทงท่านตลอดบาประกรรมท่านเยอะแต่พอได้ไปรู้เป็นพระโสดาบันด้วยอํานาจของโลกุตระมากโลกุตระผลก็เรียงเลยการเปผิวเป้งโดยสมุดโดยสรุปว่าเป็นโรคเรื้อนอยู่ดีๆแบบนั้นเลยพอไปรล้เป็นพระโสดาบันโรคหายกันดีเลยเห็นไหมอานาจไม่ธรรมดาเนี่ยอำนาจของโลกุตระรำเนี่ยไม่ธรรมดาเลย ขนาสุ ป, ปาพุทธกุฏิเนี่ยดูเลยพอได้บรรลุอะโลดคืนสบายใจลยโลกหายเลยเนี่ยแค่สมาธิเนี่ยนะสมาธิแล้วก็ยะถาภูด า, า, ายานทัศนะยถาภูดายานทัศน้านี่เริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเลยคือถ้าากว่าวิบัตสนาญาณก็เรียกนามรูปปริเคตยานปัจจะปริกายานแล้วก็สัมมสนญญาณ แล้วก็อุทยพยาญาณเป็นต้นนี้เน so are ี่ยเนี่ยฉะนั้นยถาปุถยานทัศนานี่ก็เป็นวิปัสนาญาณแล้วเป็นตัยวิปัสนาญาณแล้วก็นิพพิทายานก็อนิพพิทายานเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความเบื่อมากเห็นพบสามประดุดังไฟไหม้ขันห้าที่เป็นไปในพบสามเป็นไปในกามืพบรูบประพบอรูปประพบไฟไหม้ลุกโชดช่วงเห็นอย่างนั้นเลยเห็นไฟสิบเอ็ดกองเผาอยู่ทุกทุกทุกพบเลย เห็นอย่างงี้ในวิป no ัสสนาญาณในนิพิทายานมีบางคนก็ไปปฏิบัติไปปฏิบัติก็บอกว่านิพิทายานเกิดขึ้นแล้วก็าหอบเขาบอกยานหอบเสื่อหอบหมอนว่าอะไรมาผู้งงตอวนั้นบวชใหม่ๆที่เป็นไงยานหอบเสือหอบหมอนบอกพยานพยานนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็เบื่อหมดว่าเบื่อหมดอะไรก็เบื่อหมดแล้วอธิบาติกันอยู่แกนั้น มาถึงว่าศึกษาไปแล้วยะหลังก็มีคนเขาว่านีเขาสงสัยนิพพิทายานเกิดลก็อะไรมาต่อาก็ถามให้เป็นเนี่ยก็เห็นหน้าท้ายนี้เบื่อหมดเลยว่าถเอ๊แล้วเบื่อหน้าตัวเองบ้างไหมไม่เบื่อแล้วเขาก็อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่นิพพิทายานแล้วใช่ไหมกานิพพิทายานี่มันจะต้องเบื่อแม้แต่ทั้งความคิดของตนเองด้วยเนี่ยเพราะความคิดของตัวเองก็น่าเบื่อเนมันต้องอย่างนี้นะ ไม่ใชว่าโอ้ยางอื่นน่าเบื่อหมดหน่ารักตัวเด่นอย่างเดียว น, นี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่นีพธาร์ไม่ทสอโทสอบก็เบื่อใช่ไหมตอนนี้พิธายานไม่ใช่ไงมันก็เบื่อขันที่เป็นไปในภูมิสาคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในกามาภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปขันสี่ที่เป็นไปในอรูปภูมิก็คเห็นเห็นราคาโทวสาวโมหะเป็นฟอง เป็นชาติชรามรณาโศกากพระิเทวาทุกทมบรรณสายและอุปายาทก็เป็นไฟเป็นไฟที่ไหม้เผาอยู่ตลอดเวลานี้เอาสัตว์อยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็นิพพิทาญาติการการการการเบื่อด้วยกุศลจิตนั้นน่ะเออให้ยังงี้นะการเบื่อแบบกุศลแจิตนั้นก็เบื่อแบบมีที่พึ่งไม่ใช่เบื่อแบบไม่มีที่พึ่ง ท่านอุปมาไว้ในช่านของอริยปถารีบีกาท่านจะอุปมาอย่างนี้เกี่ยวกัเรื่องของไอ้เกี่ยวกับกรณีที่วิปัสสนาญาณเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับการเดินทางกันดนังคือเดินเข้าไปทางกันดานมากทั้งน้ําก็ไม่มีจะกินทั้งตัวก็เปื่อนหมดได้ต่างๆแนละ้วหิวมากทรมานมากนี่คือเห็นต่างๆมองไปที่ไหนก็แห้งแล้ง แม้จะมองมาในกระแสขันของตนเองก็โอ้โหไม่น่าดูเลยเพราะงั้นเดะกมันเกิดความเบื่อในลักษณะนั้นนะแต่อยู่ต่อมาก็มีบุรุษคนหนึ่งหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสเดินผ่านมาสอบถามว่าท่านผู้เจริญบอกว่าข้างหน้า ม, มีสระน้ําใหญ่โอ้มีวพรางั้นเข้าไปเจ้าดื่มอาบเย็นสบายาเกินท่านก็นละไหมน้องจิตออกจากตรง น, นั้นแล้วก็มุ่งถึงถึงถึ ง, ถ ง, ถงสระน้ําใหญ่ที่ที่ชายผู้นั้นบอกอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นมีปรัชนาญาณที่มาถึงนิพิทายานก็ดีมาถึงมุลจิตุกรรมยะกายานเนี่ยนะเกีย่ยวในเรื่องของนิพิทายานคือญาณที่เกิดขึ้นจากความเบื่อหน่ายนี่นะมันจะเป็นไปในลักษณะนั้นะเบื่อขันแต่จิตนั้นน้องเข้าหาพระนิพพานก็จะมีความสุขเพราะว่ามีที่หวังกล่าวคือพระนิพพานนั่นแหละเพราะเขอย่างที่เขาคิดใช่ไหมว่าพระโพธิสัตว์คิดบอกว่าบอกว่าบอกว่า ชรามรณะเนี่ยนะบอกว่าความตายเนี่ยนะบอกว่าพระนิพพานเนี่ยบอกชราบอกรูปเวทนาตัญญาสัขานวิญญาณเนี่ยบอกมีชรามีมรณะมีมีชรามรณะมีโศกกบไปที่เดวะทุกขโทมนัสสะอุปาญาตแต่พระนิพพานไม่มีสิ่งหนึ่งนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีความโศกไม่มีความลำเลียงลำพันไม่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่มีความขับแค้นใจเนี่ยนิพพานเป็นอย่างนี้ ฉะน น, นิพานเป็นมรมาสุขและเป็นอมตะใช่ไหมเพรจิตนั้นน้อมออกจากสังขารก็ดิ่งถึงพระนิพานน้อมถึงพระนิพานที่ตนเองศึกษาแล้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีจิตก็จะเกิดปีติโสมนัสมันเบื่อหน่ายแบบนะเบื่อหน่ายแบบโสมนัสถ้าเบื่อหน่ายแบบโทสะมันเบื่อหน่ายแบบมันไม่มีที่ไปจริงๆมองเห็นไหมมองไปที่ไหนมันก็ขัดเคืองหมดเลยโทสะจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเบื่อหน่ายแบบวิปัสสนาญาณเนี่ยจิตก็จะน้อมเข้าสู่ ออกจากสังขาร น, น้อมหาวิสังขารทั้งๆตอนนั้นยังไม่มีวิสังขารเป็นอารมณ์อย่างแท้จริงแต่ก็ประมวลจากพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั่นแหละแล้วก็ไข่ครวรว่าเรามีหวังแล้วเรามีความหวังแล้วเพราะว่าการที่เราจะเบื่อได้ขนาดเนี้ยต้องเกิดขึ้นจากวิปัสสนาญาณที่เราได้ไข่ควรมาเป็นอย่างดีแล้วมันมีความหวังแล้วว่าถ้ายิ่งเบื่อมากเท่าไหร่กระแสของนามธรรมาก็ใกล้ชิดพระนิพพานมากขึ้นทุกที เป็นอย่างงั้นเขาจึงมีความสุขงั้นเบื่อแล้วก็มีความสุขแต่ไม่ใช่เบื่อแบบทุรนทุรายนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่อวิบัตินายันแล้วอวิบัตินายันน่าจะต้องอธิบายมาในย่าอิ่นี้ถ้าเบื่อแล้วมีความหวังให้สังเกตไหมเวลาเราทํางานทำการต่างๆเนี่ยบางคนเขก็มีความหวังใช่ไหยอันนี้เบื่ออันนี้เราเบื่อแบบโทรศัพท์แต่เราก็มีความโลภเป็นความหวังว่เดี๋ยวเราไปพักผ่อนเดี๋ยวไปพัก่อนที่ไอ้ตางอากาศทีเนี้ลักษณะเนี้ยอันนี้มันเป็นแบบชาวโลกที่แก้ป โทสะเกิดก็เอาโลภะมาแก้ท่า น, นี้มันยังได้สุกระดับหนึ่งใช่ไหมแต่นี้เขาเข้าใจโลภะเป็นอย่างไรก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมอสสาศะท่าที่เป็นโลภะเป็นยังไงก็เข้าใจสวรรค์เขาก็เข้าใจว่าไม่ใช่ที่พึ่งแล้วเพราะใครครวรเป็นอย่างดีทําบริญญาเรียบร้อยอยู่มั้ยเพราะว่ารูปเวรนาสัญญาสังขารในจาตุมหาราชิกาเตาติงสา ย, ยามาดิสิตานิมาณาราีปรันิมิสวสวัสดีไม่ใช่ที่พึ่ง ขันทุกขันเนี่ยไม่ใช่ที่พึ่งเลยใช่ไหมเราจะเอารูปประขันมาเป็นที่พึ่งมาเป็นสารณะก็ไม่ได้เอาเวทนาขันก็ไม่ได้แต่ก่อนระหว่างพึ่งเวทนาขันเนี่ยเพราะเรามั่นใจไอ้ตัวสุขเวทนานี่แหละที่พึ่งของเราใช่ไหมคือทําอะไรก็ได้ให้เรามีความสุขให้ได้สุขเวทนาแต่พอวิวิจัยไปแล้วเนี่ยท่านหล่รูปประขันเหมือนฟองน้ําเวทนาขันเหมือนตอมน้ําสัญญาขันเหมือนพยับแดดใช่ไหมสังขาระขันเหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันเหมือนนักมายากลนี่อย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ย วิญญาณอาการก็เหมือนกับเองนักเต้นระบายเหมือนนักเต้นร้อยหน้าพันหน้ามันหลอกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเปลี่ยนหน้าปุ๊บปุอยู่ตอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวโลภะเกิดขึ้นก็เปลี่ยกอีกหน้านึงอ่าโลภะโสมนัสก็เป็นอีกหน้านึงโลภะทิฏฐิประกอบก็เป็นอีกหน้านึงโลภะมานาประกอบก็เป็นอีกหน้าหนึงโลภะอุเบกขาก็เป็นอีกหน้านึงโลภะที่เป็นอุเบกขาวิบยุทธสัมยุทธก็เป็นอีกหน้าหนึง <player> ถ้าโทสะดวงที่หนึ่งมันก็เป็นอีกหน้าหนึ่งโทสะดวงที่สองก็เป็นอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมบางทีโทสะเกิดร้อมด้วยอิสามัชฉริยาขู่ขจามันก็ไปคนละหน้าสองหน้าเนี่ยนะโมหะวิจิตรฉามันก็อีกหน้าหนึ่งอุทจามันไปอีกหน้าหนึ่งเป็นต้นมหากุศมันก็ไปอีกหน้าหนึ่งแล้วมหากุศนปเภยานสามปรยชน์ยานวิประยชน์อสังการิสอสังคาริสอุเบขาโสมนัสเน่ยงคนละหน้ากันเลยเนี่ยนะเราพิจารณาอ้หูมันลอกเราจริตลอดเวลาเรางงหมดแล้วใช่ไหม หน้านักบุญกับหน้านักบ่าวก็ ม, กใมกใีใช่ไหมบางทีก็หน้าอุ้ยหน้าคนใจดีบางทีก็หน้าคนใจร้ายอะไรก็มีใช่ไหมจ๊ะตอนที่ไม่รู้จักจกันใหม่ๆหน้าคนใจดีใช่ไหมพ <c oughs> อรู้จกักนานนี้นานนี้ไม่ใช่นี่ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าแต่ก่อนคุณมองหน้าฉันนานนิดเกินนิด <c oughs> นี้ทำไมคุณมองแวบเดียว <c oughs> ฝ่ายอมกระจา่าโว้คุณทาหน้าไม่เหมือนเดิมซะแล้วอันนี้มมันหลอกนะไอตอนนั้นมันหลอกเป็ น, น ห, ปหน้าดีแล้วก็นิว้วมันดีใช่มต่างคนต่างก็โดนหลอกกันคู่นเข้านี่ยเข้วะแต่ก็ดีเหมือนกันวิธีพูดเอาปอบใจกันต้องปอบใจยังไงถนะึดดีล่ะที่คุณเปลี่ยนหน้าทุกวันเพราะดูหน้าเขาช้ำช้ชาเเบื่อ ิหน้าหน้าเขาแสดงอันนี้จังไงอีกจะเราไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมอันนี้จะลักษณะเราไม่เห็นลักษณะของความไม่เที่ยงของวิญญาณขาคันมันหลอกถ้าคนเห็นอันนี้จะลักษณะผ้าอริยะทั้งหลายท่านเห็นเนี่ยก็ท่านเห็นท่านก็จะเหตลอดสัจจะจะเห็นอันนี้จะลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงของของวิญญาณนาคันแต่ท่านเห็นตรงไหนเห็นการแสดงออกมาทางหน้าตายังไงจริงจริงท่านไปดูวิญญาณนาคันบางทีท่านดูแบกจิตตะเชื่อถื ดูเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันป็นต้นนามประธานก็ดูจะดีจะชุ่มคือมันเปลี่ยนหน้าเห็นนั่นแหละแต่ถ้ายางว่านะถ้าคนไม่เจริญนิพพานาหรือคนที่ไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาไม่เกิดความละเอียดสุ ข, ขุมจริงๆก็มองไม่ออกใช่ไหมเ้ราะมัไม่เหมือนกิ่งกาวไอ้กิ่งกาวเวลามันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนชัดจัง ม, มันเปลี่ยนโอ้โเดี๋ยวเป็นสีแดงก็แดงชัดเลยเขียวก็เขียวชัดเลยเงี่ยแต่หน้าคนบางทีแม้ดูไม่ค่อยได้หรือเป็นเพราะเอาอะไรเอาอะไร ท่าจะมองไม่ออกก็รู้แต่จริงๆก็คือว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลามันก็เปลี่ยนฉะนั้นในกรณีอย่างนที่ท่านมองพิจารณาอย่างนี้ท่านก็เห็นความไม่ไม่จรหลังของขันห้ารูปขันนั้นที่ได้กล่าวก็เหมือนข้อฟองน้ำเวทนาเหมือนต่อมน้ําเป็นต้นเนี่ยพอไปพิจารณาไช่ควรในลักษณะอย่างเนี้ยท่านไม่เห็นเลยไม่เห็นที่พึ่งมองไปที่รูปขันก็ไม่ใช่ที่พึ่ง ใช่หมเพรารูปกระขนที่เป็นอดีตก็หมดไปแล้วรูปกระขนที่เป็นไปในปัจจุบันก็กําลังจะหมดไปนี่นะรูปกระขนที่จะเป็นที่จะมาในอนาคตมันก็จะจะดับในอนาคตนั่นแหละเออแล้วมันมันเป็นไปในรักเท่ไหรนี่ก็เหมือนกับเสียงกเนนะเออแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆนะพวกเรานึกว่าเสียงเนี่ยมันวิ่งไปจริงๆถ้าเรามาเข้าใจอย่างนั้นนะเข้าใจนึกว่าเสียงที่เราพูดปุ๊บเนี่ยอ๋อเสียงที่พูดเนี่ยมันวิ่งจาก จับจุดหนึ่งไปหายจุดหนึ่งเราไม่เคยเข้าใจว่าเสียงมันเกิดตรงไหนดับตรงนั้นที่เสียงเนี่ยเกิดตรงไหนดับตรงนั้ น, น, นเนี่ยเหมือนเสียงอาตมาเนี่ยที่พูดอยู่ตรงเนี้ยมันดับตรงเนี้ยแต่ด้วยความที่เราศึกษาว่าทำคำสอนที่ไม่ค่อยละเอียดแล้วก็นนี่ว่าเฮ้ยเราอยู่ไกลๆเราไม่ได้ยินเลยว่าเสียงมันวิ่งมาเสียงท่านอูอยู่จุดตรงเนี้ยมันวิน่งมาถึงโสตประสาทของเราเลยแต่ที่จริงไม่ใช่นั่นเลยใช่ไหมว่าเสียงวิ่งหรือไม่พี่ เสียงมันเกิดตรงไหนดับตรงไหนมันเป็นอย่างงี้ช่มันก็เกิดแบมันเกิดจากขึ้นกับทเสียงมันเกิดถ้ามันดับตรงนั้นแล้วมันก็จากันนี้เป็นปัจจเกิดอันนี้ใช่นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้แล้วอันนดับนั่นับตรงนี้อีกัตรงนั้นแหละแล้วมันก็สะท้อนไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นปัจัยเกิดเรื่อยๆไงจนถึงที่เราได้ยินมันเป็นลักษณะอย่างนี้เสียงันจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากมเสียงนั้นเกิดจากมหาพุตรูปนะ ที่ทําให้มาหาพุทธรูปคือที่กรองเสียงหรืว่าเส้นเสียงใะเนี่ยนะแล้วก็มันก็เกิดสันแล้วก็มันก็ไปกระทบกับมาหาพุทธรูปในกาอากาศนะเพราะว่าอากาศมันเป็นมาหาพุทธรูปอย่างหนึ่งที่แม้มันจะเบาบางเสเล็กนอก้อยประกอบด้วยมาหาพุทธรูปสีและรูปที่อาศัย <Okay. S 1> แล้วก็รูปเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเมื่อมันเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมันเป็นะแทก มันเหมือนลูกปีนอมัน็แทกลูกนึงถึงองถึแทลูกสแล้วลูกี้มันกแทะนไปถนฟังมันเป็นแบบนั้นนะใช่เป็นใจรักกันไจมันแล้วมันหายตรงนั้นน่ะใช่มันไม่เคื่อไม่เดินไม่เดินเหมนเสียงเนี่ยไม่ใช่วิ่งปื๊ดไปถึงเครือเลยนะไม่ใช่มแต่ก่อนเราเข้าใจงั้นใช่อะไรพวเนี่ยแต่จะขึ้นเหมือนขึ้นของเสียงเหมือนในลักสนิเนี้ยไอ้รูปนึงเกิดรูปนึงดับแต่รูปหนึ่งจะดับเป็นปัจจัยรูปหนึ่งเกิด ที่ท่าเคยสอนมั้งใช่ยาปอสอะไรเนะคุณท่านเคยสอนมั้่อ้าปลอเสก็ก็อย่าไปนอกรวน์เาานเวลาไอ้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะการวิจัยในลักษณะนี้ก็จะเห็นบอกว่า โรคขันเวทนาขันดังที่ได้กล่าวบอกว่าบางทีเราไปหวังสมัยก่อนมีหวังที่เกิดก็คือหวังเวทนา ค, คือสุขเวทนาเนี่ยเราก็คิดว่าสุขเวทนาเนี่ยมีสาระสุขเวทนานั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเออเนี่ยถามว่าในชีวิตที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเออโตอเราเรียนหนังสือนะจบแล้วจะได้มีความสุขเราหวังอะไรหวังเวทนาเน็ตเวทนาขันพอเรียนเสร็จแล้วเราก็พ่อแม่ก็บอกว่าออต้องมีงานทํานะจะได้มีความสุข แล้วก็หวังอะไรหวังเวทนาขันมีงานทําบวชเสร็จแล้วก็บอกเออแต่งงานที่ลูกจะได้มีความสุขใช่ไหมแล้วก็หวังอะไรหวังเวทนาขันแต่งงานแล้วต้องมีลูกที่ถึงจะมีความสุขอ่ถ้าลูกเข้าโรงเรียนจะมีความสุขลูกเรียนจบจะมีความสุขลูกแต่งงานจะมีความสุขใช่ไหมมีหลานน้อยๆจะมีความสุขก็เป็นอย่างงี้แล้วจริงๆแล้วความสุขอยู่ตรงไหนนี่เราก็มาณนั่งหวังกับขันที่มันไม่มีสาระกันอยู่ใช่ไหมพ่อเจ้าบอกโอ้ยคุณ เคยตั้งความหวังไว้าผิดที่แล้วใช่ไหมเพรานี้ไม่ใช่ความหวังมีที่พึ่งไม่ใช่สารณะไม่ใช่สารณะสักสารณะเลยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทั้งที่เป็นอดีตนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วปราณีตใกล้ใกล้เนี่ยขันเหล่านี้ไม่ใช่สารณะไม่ใช่ที่พึ่งแต่ควรรอบรู้ควรวิจัยที่ควรมาเอาทำปริญญารอบรู้ขันเหล่านี้ตามความเป็นจริงที่แะ้ใช่ไหม ถ้าไม่รอบรู talk, said, mm ้ข hmm ันเหล่านี QUESTION. ้ตามความเป็นจริงก็แทนตลอดจัจจาวไม่ได้จริงๆก็คือเราอยู่กับทุกข์เนี่ยกาะทุกขอยู่ยินดีเพื่อเพลินในทุกข์มันเลยวุ่นุนทีนี้ก็ถึงบอกว่าพระเจ้าทุ่งบอกพระเจ้าถึงบอกว่านิพพานยังไม่ใช่ขันใช่ไหมนิพพานเนี่ยเป็นวิสังขารไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารฉะนั้นทุงบอกว่านิพิทาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคก็คือวิราคะ มากก็เป็นปัจจัยแก่ผลผลก็เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวทนี่เป็นไปในลักษณะนี้ก็ เ, เรียกว่าสืบสืบกันไปอย่างเนี้ยผลของปัจจเวทขณะยานก็คืออะไรอนุปาธาปรินิพานนั่นแหละจุดหมายสูงสุดของของของการเจริญกุศลในทางพระศาสนาคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าพูดถึงดับโดยไม่มีส่วนเหลือน่าหวาดเสียวไหมถ้าเราบอกว่าโอหเราจะไม่ได้เจอพี่เจอน้องแล้วน่ากลัวไหม เอาตาบอกมีคนจะจากเราไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสเจอกันอีกแล้วจะกลัวมแต่ที่จริงนะถ้าเราจากกันเป็นจริงจรนะิงเนี่ยเรากลับมาเจอกันใหม่สมมติรสังสารวัดมนันยังเดินไปอยู่รู้จักกันไหมเพียงแต่คุ้นเคยนิดๆเลยนะไอ้ <c oughs> แปลกนะคนคนี้วะน่ <c oughs> มีความวุ้นเคยแค่นั้นนะแต่เชื่อไหมกว่าที่จะวนกลับมาเจอกันอีกทีก็จะยาวไกลมาก แต่มันไปคนทิศคนละทางเลแล้วเาจิตตีดจิตเกิดปุ๊บปฏิเสมที่ไปก็คนละทางแล้วหาไม่เจอแล้วรู้ไปไหนก็ไม่รู้มีคนคนหนึ่งเา็าบอกว่าเขาเขารักสา ม, เมีเขา嘛ตอนนั้นก็คือส า, ามีก็เข้าวัดนี่ไงมีก็นั่งคุยกันมาประมาณสักสองนั้นประมาณสักสองช่งเดียบร้อยหวังข่านในการย์ดี๋ยกลับก่อนแล้วก็นั่งมซใของ พอสักพักนึ <Leben urs> ประมาณก <L OS> <double> ็สองทุ่มครึ่งพ้นก็กอดเาก็บกยตายไปแล้วเดินเราเหยียบไปก็เอาศพมาที่วัดพอศพมาที่วัดไอ้หาไอ้มาก็ไปดูเอ้าตายแล้วไม่มีหัวจะได้เลยอแต่ตัวมันมีใครกันก็เลยมันไ็เลยจะมาโนเคิลกันเีงเพราะแกเป็นโยมวัดดูแลเป็นเหมือนวัยประากรวัดอย่างนี้เมือนก็โยมโยมวาระโยมหัวหายไปซะแล้วแล้ววันนั้นเนี่ย แกแกแกมานั <Okay. S 1> thrill, said, ่งเล่าอีกฟังที่แรกแกเป็นตำรวจนแกเป็นตำรวจแกก็บอกว่ามีกรรมอยู่เช่นนิดนึงท่านที่ผมผมยังลืมยังไงก็ลืมไม่ได้ไปถามเป็นตอนนั้นเรียนเรื่องกรรมก็บอกว่าแกไปจับผู้ร้ายแกเป็นจายันนี้ก็สมัยโบราณเนี่ยก็จับก็หาแล้วก็ถือปืนออกมาว่างั้นก็หลบเอ็นไปตรงไหนว่างั้นไปมาก็จะจับเป็นกันนั่นแหละ ก็ไปล้อมกันก็ล้อมแล้วก็หลบตอ้งแต่คันคูใหญ่ๆก็หลบอยู่เงี้ยนะไอท้ทางโน้นก็ส่งสัญญาณเราเจอไหมเจอไหมบอกไม่เจอก็หลบไปบอกกีไม่กลัวเลยไหมเพราะพวกร้ายก็มีปืนหมดนะไอ้กระตายมาก็เขาคอยโผล่เข้าไปเพราะมื่อก่อนโผล่ไปจ้าเอ๋กันเนี่ยพวกกันเขาก็ดึงปืนใส่เราอยู่พอดีก็ก็รีบหลับตากดไปก็บอกมันหัวหายเลยอ่ะยิงกรบบาลหมดเลยหัวในว่า น, นั้นเละเจ้าหอยทําทำยังไงก็ไม่กลับม า, ก, บมาก็ทําบุญใหญ่ ยังไงก็ลืมไม่ได้มันเห็นชัดมากว่ามันเป็นลูกสมัยก่อนลูกจะเป็นลูกซ้องยินกันโอกดทระกระจายเลยครับนันกดทระกระจายทีนี้ก็เนี่ยแกก็พูดอยู่เรื่อยแล้วก็บอกเอเนี่ยตามหลักกรรมเนี่ยคิดได้นะแต่ว่าต้องต้องพยายามถ้าคิดแล้วเอามาเป็นความวิตกกังวลเอามาเป็นความเครียดความกังวลกลายเป็นการทํากรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ได้ยังไง แล้วก็บอกว่าเหมือนก็พยายามด้วยหลักการไปอย่างนั้นแต่เวลามัน ค, ค, คิดคิดไม่ค่อยได้ด้วยทาได้ผมนันน่นเขาเล่าแล้ววันสุดท้ายที่จะตายก็อย่างเล่าเรื่องนี้เพรไปมาก็โดนรถตู้เหยียบหงวายเลยมันไม่ไใจใจอู้กรรมนี่น้ากลัวแต่โดยจะเป็นการชาตินี่้ชาติไหนงแกก็ไม่รู้เนี่ยวกเราไม่รู้ยัง ม, มีกรรมยักษ์ตายานระดับพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ภรรย า, ยาก็โอ้โหมาเป็นลงมเลยภรรยาไม่กล้าเข้ามาจับที่ตัวแล้ว ร้องไห้ไปกอนคนอื่นจะเป็นลมเอามาก็เลยก็เอะใจแต่ที่แรกเนี่ยอาจจะมาคุยกันก็พาสองสามลูปนึกในใจโอ้ยมผู้หญิงแบบนี้รักสามีมากรักจะเป็นลมเลยใช่ไหมไอ้มาไม่เคยเห็นคนร้องไห้เป็นลมเป็นลมเดี๋ยวก็เป็นลมเนี่ย ที่ในใจอู้นากรุณาเนี่ยสัตว์โลกเป็นไปทำกรรม่าใครควรตามไปทำไปไปมาก็จัดงานทีนี้ศพโยมก็บอกว่าญาติเขาบอกว่าอยากจะเก็บไว้สักร้อยวันน่จะร้อยวันทีนี้ก็มีโยมก็รันแนะนําแกเป็นโยมวัดก็บอกไปดูว่าจะทํายังไงโยมก็ไปดูก็ทําเขาบอกว่า ศพเนี่ยถ้าเกี่ยงไว้ร้อยวันเนี่ยก็จะใช้พวกขี้เถ้าพวกแกลบเนี่ยโรยโรยกับพื้นโรยให้มันขึ้นมาหนาเลยเนียที่ลงแล้วก็ศพแล้วก็อัดด้วยขี้เถ้าอีกทีอัดไปเสเลยเพราะรอยขี้เถ้านั้นจะดูดมดเลถ้าประมาณร้อยวันก็จะเหลือแต่กระดูกอยูเพราะงั้นนะเออเป็นงั้นเลยเ้าบอกเขายืนยันแน่นอนมีมั่งหนาแบบนี้นร้อยวันจะเหลือแต่กระดูกอ้อ ลองดูที่ยองหลวอาตมาก็ลองดูก็อยู่ดูก็คุยก็ลองอยากอากดูก็ลเป็นเงี้ยนขาเอาไว้ที่ไว้เอาไว้พระที่จะใดนะเอาไว้กำชากุฏิอาตมาอยู่เนี่ยตอนนั้นเป็นกุฏิไม้เล็กๆอยู่กันยุ่ดกุฏิเล็กๆในป่าก็เอาไว้ตรงนั้นมองวันก็ากลัวไม่ดนเลเคยเคยนะตอนเด็กๆที่ออกมาเดินโยกงนเกิดมีใครมาเคาะก็ก็้ไหมท่านเดินทำารโยงเดียวยงกันเด็กก็ก็ไม่เป็นไร มันไอความกลัวเนี่ยมันจะมาเป็นระยะนิดนิดเหมือนกันนะไม่ใช่จะไม่ไม่กลัวนะพระบางทีบางครั้งบางทีไอั้งทั้งที่ทเราใคร่กลัวดีวักหนึ่งมันจะกลัวแต่มันจะวับเดียวนะพระกอ๋อผมมันจะเป็นอย่างเนี้ยลักษณะถ้าอยู่องค์เดียวเนี่ยมันจะมีบางครั้งวิปลาสี่เกิดไม่ใช่ไปแต่พระท่านก็ต้องฝึกใช่ไหมฝึกในการที่เคยเคยทำไม่ยอมเคยไปแบบเคยนอนเป้าศสบสัปปกปีเลยนะ <c oughs> อีนี้ก็พอครบร้อยวันพอครบร้อยเออเดี๋ยวพูดถึงยมผู้หญิงนะนะยมผู้หญิงก็อยู่ได้สักเดือนหนึงหายไปซะแต่ถามว่าไปไหนนี่ตามผู้ชายไปซะเลยเนียบ <c oughs> <c oughs> ้อยา อ, อาตมาตั้งแต่นั้นผมนึกรู้ว่าอันนี้จาชัดมาก <c oughs> ชัดมาก <c oughs> <c oughs> าก็ไปถามเหมือนกันไนงะ ก็ไปถามบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงถึงถึงเป็นอย่างนั้นก็ไหนว่ารักรักเดียวผู้ชายมากเธบอกรักนะรักมากอยู่เธอว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เป็นเหตุผลนย่าง้เอาไปเลือกทุกคนถ้าถ้ายอมที่เข้าเขาเสียชีวิตไปในถ้าหากว่าเขามาห่วงภรรยาแล้วคอยตามดูอยู่เขาจะเสียใจเสียใจนะทำไมครับอาจาร์เนี่ยโดยมากก็จะเป็นในเรื่องรักอะไรนี่ อันนี้พูดไปอย่าไปหวาเสียงนะจอม